บทที่12สเตลลี่และเชิดบุตรคงจาบน้ําเรียบร้อยแล้วและขณะนี้กาลังสวมเสื้อผ้าอยู่ที่ริมทานฝั่งตรงข้ามพวกเกรียงซักเบา บ, บอลไปมุงดูที่ซากช้างและวิภากษวิจยัยกันแซดและพินเดินตรงเข้าไปอย่างทั้งสองซึ่งโบกมือให้เขาลงมาตามหลุ่นพินหัวหนาคณะถามยิ้มๆขนาดที่ข้าถึงขัดเล่าหรอครับตามสบายไม่มีอะไรเรียบร้อยมากมายนักแล้วก็หันไปทางเชิดบุตรซึ่งกาลังใช้ข้าวมาเช็ดท้ายถอยอยู่ ทำเวลากันได้ดีมากนี่ครับก็กล่าวติดต่อกันไปขณะที่กระโดดไปตามก้อนหินที่มีระกเกีะระากะาตามลำธารอันเป็นหุนทารที่นําไปสู่อีกฟากหนึ่งโดยไม่จําเป็นต้องลุยน้ำผมจะไปหาหรืออะไรกับกระเหลี่ยงพวกนั้นสักหน่อยเดี๋ยวผมกับเชิวดวุ้นไปด้วยดรสเตลลี่ลองบอกแล้วชวนนายทหารแห่งกองทัพ บ, บกไทยก้าวตามขดหินไล่หลังมาโดยเร็วปากถามต่อไปว่ามีอะไรที่คุณจะไปปรึกษาหาเรื่อกับพวกนั้นหรือ ชางมันล้มอยู่เหนือราห้วยซึ่งเป็นตอนบนของสายน้ําที่จะไหลผ่านหมู่บ้านซับบอนถ้าปล่อยซากทิ้งไว้เฉยๆมันจะเน่าเฟะพอฝนตกน้ําก็จะชําระสิ่งปฏิกูลของซากช้างทาให้พวกซับบอลซึ่งใช้น้ําอยู่ในบริเวณที่ต่าลงไปลําบาก น, น้ําจะเน่าเหม็นไปหมดผมอยากให้พวกเขาเกณฑ์นคนในหมู่บ้านทั้งหมดมาช่วยกันแยนเนื้อช้างไปเสียให้หมด ถึงแม้กระเหรี่ยงพวกนี้จะไม่นิยมกินเนื้อช้างแต่พวกเขาก็กินกันได้ถ้าจําเป็นดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นเหตุแห่งทานน้าเสียคุณรอบครอบและเอาใจใส่กับพวกชาวป่าชาวเขาพวกนี้ดีเหลือเกินนะเบลลี่กล่าวชมอย่างจริงใจคนที่อาศัยอยู่ในป่านี้ทุกกลุ่มทุกเผ่าเปรียบเสมือนพี่น้องของผมทั้งนั้นเขาช่วยผมในทุกอย่างที่ผมขอแรงส่วนผมก็ช่วยเขาในสิ่งที่ช่วยได้ชีวิตในป่ามันเป็นชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับ คำตอบของรพินทําให้หัวหน้าคณะหน้าเสื้อลงเล็กน้อยผมเสียใจนะที่ไม่เปิดโอกาสให้คุณช่วยเหลือพวกเขาได้เกี่ยวกับเสือกินคนตัวนั้นไม่เป็นไรผมก็เห็นใจพวกคุณเหมือนกันที่จะต้องรีบเดินทางเข้าสู่งานสําคัญที่เหนือกว่าทั้งสามคนเข้ามาสมทบกับพวกเก ร, เรียงจํำนวนสิบกว่าคนที่มุงดูรอยกระสุนและรอยบาดแผลที่ขาหลังของช้างเคราะห์รายตัวนั้นอันมีเลือดรอยเสือกัดเป็นแผนเน่าอยู่ทรงภาษากับพรานใหญ่อยู่คู่หนึ่งผูนั้นว่าอะไรารพิน เชิดบุษถามพวกเขาสงสัยรอยแผลที่ขาหลังช้างตัวนี้เข้าใจว่าอาจจะเป็นแมตอิเตอร์ตัวนั้นก็ได้ที่กัดเอาไว้และผมก็ได้แนะนำเขาอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วปัญหามันมีที่ว่าพวกเขาถ้าจะเกณฑกันมาทั้งหมู่บ้านเพื่อจัดการกับช้างกอคงจะเสียเวลาอะไรไม่มากนักแต่มาติดขัดที่เกลือไม่พอเนื้อจะต้องทำเค็มและต้องตากแห้งผมก็เลยบอกให้เขาส่งคนจานวนหนึ่งไปที่หนองน้าแห้งโดยถือจดหมายของผมไปคนที่นั่นจะจัดหาเกลือให้ และพวกเขาก็เข้าใจดีแล้วหันมาอธิบายข้อความให้ฝ่ายนายจ้างเข้าใจและจอมพันก็ส่งกระดาษแผ่นหนึ่งพับเรียบร้อยแต่ไม่ได้ใส่ซองยื่นให้แกกเกรี่ยงปีอันเป็นนายบ้านเจ้านันรับไปโดยดีพูดกับเขาอีกสองสำคำเซลี่ชวนเชิดวดไปดูรอยกระสุนนัดที่คว่าเจ้าสีดอกตัวนั้นอีกครั้งโดยเฉพาะรอยที่เจาะชอนใช้เข้าไปทางกบหูซ้าย ซึ่งทางเข้าเล็กนิดเดียวเลือดที่ปรากฏไหลออกมาเล็กน้อยเท่านั้นไม่ปรากฏร่องรอยของทางออกแสดงว่ากระสุนเจาะเข้าไปฝังอยู่ในบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองอันใหญ่โตนั้นแล้วจูบปากอีกครั้งหนึ่งพร่อมอบโครงศีรษะชา้ชาๆเป็นการยิงที่เฉียบขาดจริงๆฟีมือของพรานอาชีพชั้นยอดจุดเดียวถ้านัดนี้ไม่สามารถจะหยุดมันได้อย่างฉับพลันยิ่ตายแน่ๆนายคุณบอกว่าเขายิงด้วยจุดสาเจ็ดห้าแม็กของบุนคำไม่ใช่หรือทําไมถึงไม่มีรอยออกของหัวกระสุน ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นหัวกระสุนแบบซิวเวทริปซึ่งฉีกเปลือกแบะปลายเสียก่อนคงจะไม่ใช่ลูกแข็งแบบรลูแบ็กแต่จุดที่กระสุนเข้าเป็นจุดอ่อนหัวกระสุนทะลุเข้าไปถึงช่องสมองทําให้มันหมดความรู้สึกในทันทีเป็นยังไงครับด็อกเตอร์ฝีมือขนาดนี้พอจะเป็นพรานนําทางให้พวกคุณอบอุ่นใจได้บ้างไหมเพินพอเราเลือกคนไม่ผิดแล้วดเตรสเตลลี่พึมพำจ้องมองดูซากอันมืดมานั้นทางเลือนลงไปมอง เออารหนึ่งห้าพับฐานซึ่งเป็นอาวุธคู่มือของฝ่ายตนเองทุกคนแล้วเบ็ดปากรับได้ในทันทีว่ากระสุนห้าจุห้าศูนย์มมมันแทบจะไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้เลยในการกเผชิญหน้ากับตัดใหญ่ดุร้ายกลางตรงทึบเพราะมันเจ้าอิดเสียเหลือเกินฟอสเทอร์ี่และเชิร์ตบุดพยายามช่วยกันตรวจหารอยกระสุนปืนของคิดซึ่งได้ทราบมาก่อนว่ายิงออกไปประมาณสามสีนัดก่อนหน้ารัพินแต่ก็ค้นหาไม่พบเข้าใจว่าคงจะอยู่บริเวณที่ไม่มีความหมายนัก และบัดนี้ร่างใหญ่โตที่ซุดหมอบอยู่บางบาดแผลเหล่านั้นไว้เมื่อพรานใหญ่มาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆภายหลังจากสั่งการกับกเกรียงพวกนั้นเสร็จทูน่าคณะค้นหานิวเคลียตก็ควอซิก้าออกมาค้าไปมวลหนึ่งส่งให้พรานนําทางมวลหนึ่งพูดเหมือนบน่นฝ่ายวางแผนผู้กําเนิดเครื่องใช้ประจําตัวของฝ่ายผมกับการผิดเสร็จแล้วละพินผิดยังไงครับเจอรี่ชูปืนแบบพลล้มให้ดูนี่ยังไงล่ะพวกเราไม่ได้เลือกเองหรอกนะแต่เขาสั่งปืนชนิดนี้มาให้ ผมไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางปืนที่เราปืนที่เขาให้เรามานั้นเป็นแค่ปืนที่ยังชีพเท่านั้นพานใหญ่หัวเราะแต่ผมว่าเหมาะแล้วเพราะมันเบาและคล่องตัวดีพวกคุณไม่มีความจําเป็นต้องใช้ปืนขนาดใหญ่ไม่มีที่มีน้ําหนักมากมายเลยเพราะหน้าที่คุ้มกันภัยเกี่ยวกับสัตร้ายมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายผมอยู่แล้วน่าเป็นคำตอบที่สุภาพต้องนนที่สุดมันก็ไม่เหมาะนักในการที่เมื่อเกิดเรื่องชนิดนี้ขึ้นพวกเราจะต้องปล่อยให้เป็นภาระของพวกคุณฝ่ายเดียว โดยไม่สามารถจะช่วยอะไรได้บ้างเลยเพียงแค่เดินทางวันหนึ่งกับอีกคืนหนึ่งเท่านั้นมันก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเส้นทางเดินของเราเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้เลยเกี่ยวกับสัตร้ายยังไม่สายเกินไปไม่ใช่หรือถ้าหากคุณจะติดต่อกับศูนย์บังคับการของคุณในการขอเปลี่ยนอาวุธประจำมือเสียใหม่อย่างน้อยคุณกับคิดก็น่าจะเปลี่ยนไปเป็นไรเฟิลล่าสัตว์แรงกระทะสูงสําหรับผู้หญิงสองคนด้านจะให้ใช้ปืน ar 1 5ตามเดิมก็ได้ เชิวุฒแนะนําขึ้นตามความจริงนั้นเป็นการอย่างเสียงเพื่อรวงถามถึงการติดต่อระหว่างอเมริกันกลุ่มนี้กับศูนย์บัญชาการว่าสามารถติดต่อและส่งกําลังบารุงหรือช่วยเหลือกันได้อย่างไรหรือไม่เจอรี่หลวมตัวและคาดไปไม่ถึงเอาจริงๆในกลนลวงของเชิดวุฒิจัสิก้าอัดขวันทางสะแกงคอคิดอย่างสนใจในคําแนะนํานั้นแล้วรับว่าอืมเข้าทีอยู่เหมือนกัน ผมไม่ชอบพบช้างหรือเสือโคร่งขนาดใหญ่ด้วยปืนพ ล, ลุ่มแบบนี้ความจริงผมกับคิดก็พอที่จะใช้ไรเฟิลขนาดใหญ่ได้อยู่เหมือนกันเราเคยล่าสัตว์มาบ้างแบบสมัครเล่นการถือปืนและเกินไปและไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศมันทําให้ขวัญและกําลังใจของเราไม่ดีนักว่าแต่นี่แนรพินพาผมกับคิดจะเปลี่ยนปืนควรจะเป็นขนาดไหนจึงจะเหมาะสมจอมพานมองหน้าแล้วเหลือไปทางเชิดบุญโดยบังเอิญก็เห็นลูกชายในคนรอบยิบตาให้ สมมติว่าคุณจะเปลี่ยนปืนคำพูดน้ำเสียงปกติหน้าตายจะเปลี่ยนได้ยังไงกันครับเราออกเดินทางจากจุดเริ่มต้นมาตั้งวันเต็มเต็มแล้วไม่ยากเลยเพียงแค่วิทยุบอกศูนย์บังคับการเท่านั้นและแจ้งตำแหน่งให้ทราบแน่ชัดว่าเราจะบ่ายหน้าไปทางไหนโดยไปดักร อ, อยังบริเวณที่เป็นทุ่งร่องๆสังเกตเห็นได้ง่ายๆสูงไฟกอควานเป็นปสัญญาณให้นักบินสังเกตเห็น คอรีครับเตอร์ก็จะบินมาค้นพบและส่งของที่เราต้องการให้ได้ทันทีเชิดวุฒตาเป็นประกาศอย่างยินดีสุรพิ้นส่อนยิ้มวางหน้าตาใบาสนิทยอยู่เช่นนั้นถ้าเช่นนั้นก็สุดแล้วแต่ทางด้านคุณตุลิสินใจจะครับออกจากที่นี่เดินตัดดงเชิบไปประมาณสักไม่เกินเที่ยงวัน เราจะออกทุ่งโล่งของเนินเขาลูกหนึ่งตำแหน่งนั้นเราจะหยุดพักทานอาหารกลางวันกันและใช้เป็นตำแหน่งให้ฝ่ายคุณเอาคอปเตอร์ประสงค์ของให้ก็ได้แต่ถ้าลำบากเกินไปและทางคุณสองคนอยากได้ไร้พื้นประจํามือจริงๆจะเปลี่ยนปืนกับทานของผมคนใดคนหนึ่งก็ได้ทั้งสี่คนนะ่ะใช้จุดสาเจดห้าแม็กนัมทั้งสิ้นให้พวกเขามาถือปืนของฝ่ายคุณแทนและเอาปืนของเขามาใช้สลับกันเสียเพื่อความสบายใจอุ่นใจ แต่หนทางข้างหน้านั้นผมรับรองได้ว่าสัตว์ใหญ่แอนตรายน้นหนักตัวเป็นตันขึ้นไปทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เรายากที่จะหลีกเลี่ยงได้หนัานาคณะพยักหน้าอย่างจบลงใจทันทีไม่ลืมพูปากนิดหนึ่งและพูดกับเขาน้ำเสียงจริงจังเป็นการเป็นงานขึ้นผมคิดว่าผมกับคิดควรจะเปิดเครื่องใช้จําเป็นจากต้นแหล่งของเราดีกว่าการขึ้นเมืองของคุณนั้นเป็นการเหมาะ ส, ม, สมควรแล้วที่ต้องมีปืนแบงแรงสำหรับล่าสัตว์ประจําตัวเข้าไว้ถ้าเป็นปืนของฝ่ายผมไปให้พวกเขาถือ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันขอคำปรึกษากับคุณหน่อยเมื่อกี้นี้คุณยังไม่ได้บอกผมเลยว่าทางด้านผมควรจะใช้ไรเฟินขนาดไหนดีก็สุดแล้วแต่ถนัดนะครับให้หัวกระสุนหนักหนักและแรงประแทกสูงสูเข้าไว้เพราะคุณเป็นอเมริกันซึ่งชาติของคุณก็เป็นชาติเทรดอาวุธปืนล่าสัตว์โดยชํานาญที่สุดในโลกอยู่แล้วผมไม่ได้สังเกตรายละเอียดนัดพวกพานพื่นเมืองของคุณทุกคนใช้ขนาดไหนทั้ง4ี่กระบอกนะ่ะเป็นจุดส um, า H H Magnum ทั้งนั้นนะครับ เพราะมันก็เป็นไลฟืนที่พวกคุณพิจารณาว่าเป็นไลฟืนกระสุนขนาดกลางๆเท่านั้นแต่ถ้าหากมือถึงใจถึงช้างแรดกระทิงหรือควายป่าก็รมได้ไม่ยากนักเซลลี่มองมาที่ปืนซึ่งถืออยู่ในมือของเขาและของตัวคุณเอกล่ะชายคำตอบพลันใหญ่ส่งไปให้หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ด็อกเตอร์เซลลี่รับไปดูแล้วผิวปากออกมาเบาๆยิ้มโฟเอดวินโมเดลเจ็ดสิบอฟริกัน ว้าวนี่มันเป็นปืนที่พวกผมทําขึ้นนี่ทั้งกระสุนและทั้งปืนพวกคุณเก่งทุกอย่างและครับไม่เก่งอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือหน่วยรักษาความปลอดภัยนอกจากคุ้มครองชีวิตของประธานาธิบดีไว้ไม่ค่อยจะได้อย่างน้อยในประวัติศาสตร์ของพวกคุณประธานาธิบดีก็รูปถูกรอบฆ่าสังหารหรือถูกยิงซึ่งซึ่งหน้าเสียชีวิตไปสามคนแล้วเชิดวุพูดมาโดยเร็วบนหัวเราะในแง่ขบขัน เล ร, ยรียักไหลคอยหัวเรี่ ย, รยไรปด้วยไม่แสดงความเห็นอะไรเกี่ยวกับคําพูดสปปรรพยพประโยคหลังของพนตรีหนุ่มแห่งกองทัพบกไทยกระพินคุณใช้ปืนขนาดนี้มาตลอดเวลาเลยเลิกเฉพาะออกเดินป่าโดยไม่รูอ้อนาคตเดินผมใช้เพียงแค่จุดสามเท่า น, นั้นเพื่อจะมาเรียนใช้เอาจริงๆในการเดินทางครั้งล่าสุดบนบุกเทื่อกเขาพระศิวะคุณได้ไร้ควนกระ บ, บอกนี้มายังไงมีขายในท้องตลาดปืนเมืองไทยหรือว่าสั่งตรงมาจากสเตทจากโรงงาน ตลาดปืนเมืองไทยเท่าที่ผมทราบรู้สึกว่าจะไม่มีการสั่งเข้ามาวางขายเพราะเคริเบอร์มันออกจากเกินอัตราที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนของเมืองเราไปนิดกระบอกนี้นะักผมได้มาจากนายจ้างกลุ่มหนึ่งที่จ้างให้ผมนำทางไปเทื่อมเขาปะซิวะในครั้งนั้นเมื่อผลงานสำเร็จรุด่วงลงด้วยดีก่อนจากการขอมอบให้ผมไว้เป็นที่ระลึกผมไม่เคยหยิบมันออกมาใช้อีกเล ย, ยตั้งแต่นั้นจนกระทั่งมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องทำหน้าที่นำทางให้แก่พวกคุณนี่แหละจึงได้นํามันออกมาใช่อีกครั้งหนึ่งสเตรลี่พิจารณาดูอย่างสนใจโดยการกดพันพับแบคกัซีนซึ่งอยู่ใต้โครงปืนด้านล่างปล่อยให้กระสุนที่บรรจุไว้หลุดออกมาก่อนต่อจากนั้นก็ค่อยๆดึงลูกเลื่อนลากเอากระสุนที่บรรจุพร้อมอยู่ในรังเพลิงให้กระเด็นหลุดเข้ามาอยู่ในอุ้มมือที่คอยเตรียมรับไว้ก่อนแล้วส่งกระสุนทั้งหมดเหล่านั้นไปฝากให้เชิดวุฒิถือไว้ชั่วขณะ ปิดบานพับแมกกาซีนดันลูกเลื่อนเข้าที่และทดลองยกปืนขึ้นมรรประทับไหลเลงไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งทางหิยงไกดังเช็คอาการที่อเมริกันอวโนุโสนี้ปฏิบัติต่อไลฟ์เฟินของเขาซึ่งปแตพินและเชิดรู้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาก็บอกได้ทันทีว่าเจอรี่เป็นและคุ้นเคยกับปืนลูกเลื่อนล่าสัตว์ระบบนี้มาก่อนเขาทดลองวั ด, ว, ดวัดปืนไปในทางต่างๆเพื่อจะหาความคล่องตัวปากก็ถามต่อไปว่าผมไม่คล่องนัก เกี่ยวกับปืนล่าสัตว์ใหญ่ประเภทนี้แต่ถ้าจำเป็นก็เชื่อว่าพอจะใช้งานได้บ้างคุณพอจะทราบรายละเอียดของมันไหมแม็กกาซีนบานพับสามนัดอีกหนึ่งในลำกล้องยาวทั้งหมด4ี่ิบนิ้วครึ่งเฉพาะลำกล้องย2บสองนิ้วเกลียวหมุนควงขวารอบในระยะ14นิ้วน้ำหนักแปด่งแปดปอนด์ครึ่ ง, งถ้าจะเทียบกับ AR ห5้ารถฐานของคุณก็มากกว่ากันเพียงแค่ประมาณ3ามปาเท่านั้น เพียงแต่ว่ามันยาวเกะ ก, กะไปมากหน่อยเท่านั้นเองแรงกระทะละ่ะสองซันครึ่งครับที่ปากลำกล้องนี่เป็นอัตราโดยประมาณจากประสบการณ์ในการใช้งานของคุณในการด่าสัตว์ใหญ่ๆเป็นอย่างไรบ้างเชื่อใจได้แค่ไหนรปพินหัวราบเบาๆก็พอสมควรละครับ มันสุดแล้วแต่ตำแหน่งที่กระสุนจะเข้าเป้าหมายด้วยถ้าถูกที่สำคัญนัดเดียวกว็สุดในทันทีไม่ว่าช้างหรือแรกแต่ถ้าไม่ถูกที่สำคัญมันก็จะเสียการทรงตัวปัดเปรหรือล้มกลิ้งไปก่อนและพอจะซ้ำนัดที่สองได้ทันกับไรเฟิลแฝกระสุนขนาดใหญ่ของอังกฤษเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้าง แฟดได้สองนัดจะยิงซ้ำก็ได้รวดเร็วโดยที่ไม่ต้องตึงลูกเลื่อนให้เสียเวลาแต่น้ำหนักของไนเฟินแฟดมันมากกว่านี้นับตั้งแต่ขนาดจุด70ขึ้นไปสำหรับผมถ้าจะให้สะดวกคล่องตัวที่สุดควรจะเป็นลูกเลื่อนแบบนี้มากกว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างไหมสำหรับโมเดลนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำปากร่องศูนย์หลังไวกว้างเกินไปหน่อยทาให้เร็งยิงจุดขนาดเล็กละเอียดอ่อนไม่ได้ ไรเฟิลของพวกคุณทำแบบนี้ทุกยี่ห้อทำศูนย์เปิดติดตั้งมาจากโรงงานไม่ละเอียดอ่อนนักแต่ก็พออาศัยเพราะเป้าหมายที่เราจะยิงน่ะมันเป็นเป้าหมายใหญ่ตมโหรานและการยิงก็ไม่ไกลนักไรเฟิลอเมริกันส่วนมากออกแบบมาให้ติดศูนย์กล้องแต่ศูนย์กล้องมันก็ไม่เหมาะสำหรับป่าทึบในแถบเอเชียเพราะนอกจากจะเพิ่มน้ำหนักให้แก่ตัวปืนและเก ก, กะแล้วการเล็งจริงอย่างรวดเร็วในระยะกระทันชิดก็ทำได้ยากมากถ้าคุณจะสั่งให้หน่วยส่งกำลังบัมรุงของคุณ เอาปืนชนิดนี้มาให้แล้วก็บอกเขาด้วยว่าไม่จําเป็นจะต้องติดศูนย์กล้องมาให้ใช้ศูนย์เปิดจากโรงงานเลยดีกว่าอืมคุณให้ไอเดียที่ดีมากกับผมนะเซเล่พึมพำส่งปืนขึ้นไปให้ประเดี๋ยวก่อนออกเดินทางหรือก่อนติดต่อ ก, กับศูนย์บังคับการผมก็คิดจะขอลองยิงปืนของคุณอออกวางนี้ดูก่อนได้ไหมเชินาญสบายเลยครับไม่มีอะไรขัดข้องสําหรับผมก็มีข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งว่าในระหว่างจุดสาม h h m a x i m u กับจุดสี่ห้าแปดวินเชสเตอร์ แม็กคุณสองคนควรจะตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเกี่ยวกับกระสุนที่พวกเราใช้แทนกันได้ด้วยถ้าไปสั่งขนาดอื่นมานอกเหนือเป็นจากนี้กระสุนก็จะแยกกันออกไปอีกและถ้าจําเป็นก็จะอาศัยแทนกันไม่ได้เลยวุฒิขณาหิ้มพ์ราวตกไหลเพราเบาๆเป็นข้อแนะนําที่ดีมากและเข้ากับหลักยุทธศาสตร์ไม่เสียแรงที่คุณเคยเป็นนายตํารวจตะเวทชายแดนมาก่อนเกี่ยวกับการจัดกําลังอาวุธของหน่วยงานคลร่มหมู่หนึ่ง จะจำนวนสบเท่าไรก็ตามถ้าใช้อาวุธปืนที่กระสุนแยกกันออกไปคนละแบบในการเข้ารบมันก็เหมือนกับกองโจรที่ปราศจากระเบียบและลายสมรรถภาพเพราะจะใสยกระสุนของกันและกันไม่ได้เมื่อถึงคราวกระสุนของแต่ละคนหมดเพราะฉะนั้นการจัดให้ปืนมีกระสุนขนาดเดียวกันเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องเอาละผมกับคิดจะหาเรื่อนอีกทีหนึ่งว่าเราจะขอจุด 3.5 หรือว่าจุด 4.58 มาประจําตัว ทางดรสเตอลี่ก็หันไปรอบๆกล่าวต่อมาว่าคุณเสร็จเรียบร้อยแต่พวกนี้แล้วหรือยังเราจะได้กลับไปที่แคมป์กัเสร็จทีเรียบร้อยแล้วครับก็ออกเดินนําหน้าไปในทันทีระหว่างที่ผ่านพวกกระเหลียงซับบองผู้ซึ่งยังมุงดูซากช้างอยู่ก็ร้องบอกความอีกสองสามประโยคคนเส้นทางเดินกลับขึ้นไปยังที่ตั้งปางพักเนืออําถ้วยเชิดวุฒิอากาศเดินเข้ามาชิดเขากระซิบคุณวางแผนได้เหมาะแล้วแต่พินประเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าพวกนี้สามารถติดต่อ ให้หน่วยงานส่งกำลังบงรุงมาให้ทางอากาศได้อย่างไรบ้างและทำได้ฉับพันรวดเร็วเพียงไหนผมอยากจะให้คุณวางแผนต่อแผนยังไงครับพูดหวานล้อมหาทางหลอกให้ทั้งสี่คนเปลี่ยนอาวุธประจำตัวเสียให้หมดผมบอกตรงๆผมไม่ชอบเลยที่พวกนั้นเล่น M.16 รถถ่านเดินไปกับเราหลอกให้มันหันมาใช้ไลฟ์เฟนอย่างเราเสียให้รู้แล้วรู้อดไปต้องดูท่าทีของเขาก่อนครับไลฟ์เฟนที่พวกเขาต้องการอาจถูกส่งมาทางอากาศ มาให้ได้ในทันทีโดยจุดนับพบข้างหน้าแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าปืนรบทั้งสี่กระบอกเซอรี่จะส่งคืนกลับไปทางอากาศหรือเปล่าเกรงแต่เพียงว่าต่อให้ได้ไรเฟิลมาแล้วเ1 6มบลดฐานก็ยังคงเอาติดตัวไปด้วยโดยแพ็กรวมไปกับกีพอร์สมพระเสียมากกว่าเอาละประเดี๋ยก็รู้ว่าพวกนี้จะดำเนินการยังไงคุณรีบจ้าร่วงหน้าไปกอดเถิดผมจะถวงเวลารอเดินคุยไปพร้อมกับเซอรี่เอง บนฟางพักทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางได้ทุกสี่พอสัมภาระผูกมัดเตรียมที่จะหอบพอนเคลื่อนที่ได้ทันทียกเว้นเครื่องวิทยุเท่านั้นที่กําลังจะเอาเข้าเก็บเข้าที่แต่เตอรี่เดินขึ้นมาถึงพร้อมกับเชิดวัด์โบกมือห้าไว้ก่อนแล้วเรียพกพวกเข้ามารวมหัวและพินไม่ได้เข้าไปร่วมกลุ่มด้วยในขณะนั้นนอกจากจะเดินตรวจดูเข้าของโดยวางลายเฟินประจํามือของเขาพิงไว้ให้หัวหน้าคณะที่คนต้นไม้ใกล้ๆพวกนั้นเขาเห็นสเตอรี่เข้าไปพูดอะไรอยู่ กับสมคนและมีเชิดวุดต่วงมุงอยู่ด้วยครุ่นหนึ่งต่อมาก็เป่าปากเสียงแหลมยาวเมื่อพลานใหญ่หันไปดูก็กวักมือเรียกเขาเดินเข้าไปโอเคระพิน okay, <Rap> ผมหาเรือกับพวกเราทุกคนในเรื่องที่คุณว่าไว้แล้วทั้งหมดเห็นด้วยเป็นอันว่าผมกับคีทต้องการไล่คนคนละกระบอกส่วนสสตรีสองคนนี่ไม่จำเป็นเพราะเจ้าตัวไม่ต้องการจะเป็นภาระแบหนักเดินไปโปใช้ AR15 ตาปกติก็ดีครับ แต่ว่าตรงลงใจกันแล้วหรือยังว่าจะใช้ขนาดไหนคานใหญ่ถามด้วยอาการปกติขาดนั้นคิ้กำลังทดปลอมรูปคำจุด4 5 8มักน้ำของเขาอยู่โดยรับไปจากมือของเซรี่และประทับเล็งไปตามจุดต่างๆเรายังไม่ได้ตัดสินใจแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นวินเชสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นจุด 3.5 หรือจุด4 5 8น้าหนักของมันก็พอๆกันไม่ใช่หรือทัก็เท่าๆกันนั่นแหละพูดถึงขนาดรูปร่างของปืน แต่กระสุนมันต่างค่ะกันมากหัวกระสุนสามรอยเกรนกับหัวกระสุนห้ารอเกรนอํานาจุดยั้งก็เชื่อใจได้มากกว่าแล้วเขาก็ส่งกระสุนจุดสามจ็ดห้าและจุดสี่ห้าแปดให้กับสเตเลอร์พิจารณาเปรียบเทียบดูเชิดพูดไม่พูดอะไรแต่ขย่ากระสุนจุดสองสองสามหรือห้าจุดห้าหกมมที่ใช้กับเออาหนึ่งห้าเข้าไปวัดเปรียบเทียบดูกับสองขนาดนั้นด้วยทำเอาผู้เชี่ยวชาญในการ กำมันสภาพรังสีผิวปากยาออกมาพึมพำยังกระปู่กะลาอย่างนั้นแหละงั้นเดี๋ยวขอให้ผมปเปิดทดลองหินดู ก, ก่อนเดินตามสบายเดี๋ยวผมจะตั้งเป้าให้ว่ารัฐพินก็หมุนตัวไปรอบรอบเห็นกระป๋องเครื่องเลเซนที่พวกนั้นกินทิ้งไว้ในขนาดของกระป๋องอวันตินก็ก้มตัวลงหยิบขึ้นมาแล้วสะโกนเรียกเกิดซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดสั่งว่าเอาไปวางไว้บนยอดก้อนหินลูกเตี้ยเตี้ยโน่น เขาชี้มือไปยังกลุ่มขดหินระยะห่างออกไปไม่มากนักเป็นคนละทางกับที่พวกกระเหลี่ยงซับบอนกํลาลังวุ่นกันอยู่ที่ซากช้างริมลำห้วยยอดหินตําแหน่งที่จะให้นํากระป๋องใบนั้นไปวางมีหินใหญ่จำนวนอีกก้อนหนึ่งอยู่ห่างหลังออกไปประมาณไม่กี่วาใช้แทนที่กําบังหลังเป้าได้เป็นอย่างดีจะไค่ายน้าจับเขียวแล้วแกอย่าเพิ่งกลับมาก่อนไปแอบบังอยู่หลังก้อนหินก้อนใหญ่นั่นคอยทําหน้าที่เก็บเป้าขึ้นมาวาง เกิดยิ้มมองหากระป๋องเครื่องเลชั่นได้อีก3สีก่กระป๋องก็ยื่ติดมือไปด้วยพร้อมกับตะโกนบอก พ, กพวกทุกคนรู้ว่าจะมีการรองทางปืนแล้วเดินเอากป๋องลูกนั้นไปวางอย่างตำแหน่งที่ชี้บอกทันทีโดยตั้งเต็นให้เห็นหันมาทางเจ้านายผู้ยืนมออยู่ก่อนแล้วและพิมพ์ชูมือขึ้นสูงแล้วบบกเป็นสัญญาณให้หลบเข้าไปบังอยู่หลังก้อนหินใหญ่อย่เพิ่งผออกมานะจนกว่าจะได้ยินฉันตะโกนเรียก เราร้องสั่งไปเกิดกระดดทนเข้าไปอยู่หลังบางก้อนหินใหญ่ทันทีอย่างว่องไวเอาะครับใครจะลองดูก่อนจากคนละินัดก็ได้เชิ่มต่างสบายกระสุนผมมีพอเหลือเฟืออ้อลูกที่จะบรรจุไว้ก่อนแล้วเป็นหัวอ่อนทั้งชุดผมคิดว่าลองด้วยลูกหัวแข็งจะดีกว่าถึงจะถูกเป้าหมายแล้วมันก็จะเลยไปกระแทกหินใหญ่อันเป็นแปะ ก, การาวก้อนนั้นได้แล้วเราจะได้เข้าไปดูรอยกระแทกของมันว่าหินก้อนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง จากแดงปะทะสองตันครึ่งกล่าวพางเขาก็รวดกระเป๋าหยิบกระสุนหัวแข็งออกมาสองชุดชุดละสี่ น, นัดซึ่งรัดด้วยยางรัดของให้รวมกันอยู่เป็นชุดชุดโยนให้กับคริสในนั่นเอียงคอยักหลายนิดหนึ่งกดแม็กกาซีนผ่านพับที่บรรจุ ก, กระสุนหัวอ่อนเค okay, กล่าวลงกองไว้แล้วเอากระสุนหัวแข็งบรรจุลงไปแทนที่ช้าๆในแม็กกาซีนนัดที่สี่ใช้มือสอนเข้าไปในลังเพลิงแล้วกดหัวนัดที่สามอันอยู่ในแม็กกาซีนให้ ลดต่ำลงไปพ้นทางเดินของลูกเลื่อนจากนั้นก็ค่อยๆผักลูกเลื่อนเข้าท้ายปิดปิดการลูกเลื่อนลงเบาๆโดยการเหนี่ยวไกเพื่อลดนกปากกระบอกปืนสูงชี้สู่ฟ้าระยะห่างสักเท่าไหร่นี่จากที่จะยิงถึงกระป๋องลูกนั้นคุณเป็นนักคํานวณอยู่แล้วคุณน่าจะรู้ดีเจ้าพานบอกยิ้มๆประมาณสามสิบหลาได้ไหมใกล้เคียงเึ้นผ่าศูนย์กลางของกระป๋องลูกนั้นคงจะไม่เกิน3ามนิ้วครึ่ง ส่วสูงก็ในราวๆไม่เกิน6นิ้วถ้าคุณยิงถูกก็แปลว่าคุณสามารถจะยิงเข้าจุดตายของสัตว์ได้ทุกชนิดแบบนัดเดียวจอดและระยะยิงจริงๆผมก็รับรองได้ว่า 90% เราจะยิงใกล้กว่านี้มากนักเข้มแต่ว่ากระป๋องลูกนั้นเป็นเป้านิ่งและไม่มีพิษมีภัยใดๆไม่ว่าจะยิงผิดหรือยิงถูกแต่สัตว์อันตรายนั้นเป็นเป้าเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วก็สุดแล้วแต่สถานการณ์และถ้ายิงผิดมันอาจจะพุ่งเข้าใส่ตัวเราได้ป๊อปจะลองยิงก่อนสิบยิ่งส่งปืนไปนทางดร็อ แกถืออยู่แล้วก็ลองยิงจะเลยสิกิบพยักหน้าขยับตัวนั่งทางขายันเข่าใช้สายสะพายรัดซ่อนแขนซ้ายไว้และถึงตึง่านท้ายประทับไหลอันเป็นท่านั่งยิงแบบทหารหรือแบบนักยิงเป้าซึ่งส่วนมากมักจะเป็นกระสุนซึ่งมีแรงผีบซ่อนถอยหลังไม่รุนแรงนักไปเหนไพวันเห็นท่านั่งของคิดแล้วซ่อนยิ้มนิ่งเฉยเสียขณะที่พลเอกอเมริกันแนบ แกมเล็งอย่างปราณีตป้ากก็บอกว่าศูนย์ปืนของคุณเป็นยังไงมั่งก็เที่ยงตรงดีแต่ระยะขนาดนี้ควรจะเล็งชี้ไปให้เข้าใจกลางกระป๋องอย่าเล็งนั่งแท่นเพราะมันใกล้เกินไปในผมทรงลันบินเพยียงหน้าเล็กน้อยเล็งผ่านศูนย์เปิดไปยังเป้าหมายนั้นนิ้วแต่อยู่ทีกไกลเดี๋ยวคิดอย่าเพิ่งเหนียวไกล เสียงเบาแต่กลางวานเข้มเป็นงานเป็นการดังขึ้นกิจนังงกทุกคนรวมทั้งดรพินด้วยหันไปที่ทางที่มาของเสียงผู้ขัดจังหวะก่อนที่คิดจะเหนีย่ยวไกลก็คือคริสติน่าลอนยืนกอดอ ก, อกเอียงคอมองอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่ได้มองที่ใครอื่นทั้งนั้นตาสีฟ้าวาววามจ้องเป่งอยู่ที่หน้าของคพามใหญ่ทําไมคริสร้องถามมาเบาๆเธอเคยยิงไร้พ้นล่าสัตว์กระสุนใหญ่ที่สุดขนาดไหนคริสถามมาและน้ำเสียงอย่างเดิม เอฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะดูเหมือนจะเป็นจุดสามศูนย์ทับสนย์ของเวนเชสเตอร์แบบคันเหวี่ยงประมังส่วนมากก็ยิงหนีกับยิงกวางที่บ้านเกิดของชั้นออริโซนาเออแล้วไอ้ที่ถืออยู่ในมือนะนะั่นน่ะเตรียมจะ ก, กรดิบไกของเธอนะนะั่นน่ะมันอะไรพิจนารณาดูให้ดีทีนึงซิเพื่อนชายร่างยักษ์ขโมดขี้นิดหนึ่งแล้วยักษ์ไหลอีกครั้งหนึ่งยิ้มหยันยั น, ยนก็รู้ละว่ามันเป็นไลฟ์เพื่นขนาดไหนสําหรับสัตว์ใหญ่ในอฟริกา แต่ึินอย่างไรมันก็ยังเล็กกว่าปืนกล20มมปืนแอนติกรถถังหรือปืนใหญ่สนามคงไม่ต้องใช้อัจฉริยะหรือว่าพิชานอะไรมากมายนักไม่ใช่หรือในการที่จะเหนีย่ยวไกลให้กระสุนมันพ้นลำกล้องออกไปโดยตาที่ยังมองอยูทุบเพิ้นพูดผู้ช้าๆกับเขาว่าชายคนนี้มีแต่ความโง่อวดดีทนงในตัวเองอย่างน่าสนใ่ไหมในความรู้สึกนิกิดของคุณอะไรกัน น, นั่น่หวฉันไม่เข้าใจเลย เชสล็อกเอาอะขึ้นลดปืนลงทันทีทุกคนหน้าตื่นงงแต่คริสติน่าพูดเรเนิกับระพินต่อไปว่าควรจะแนะนำเขาอีกสักนิดสี่ระพินว่าวิธีการยิงปืนไลเฟ้นขนาดนี้ให้ดีที่สุดนะ่ะหลังของเขาควรจะยันติดกับต้นไม้ด้วยถ้านั่งยิงแบบนี้ของเขามันคงจะสอนบทเรียนให้กับเขาไม่ได้นำใจคุณนักหรอกนะผมมีความผิดอะไรไม่ทราบจอมพานถามหน้าตาเฉย ครสเนาเดินเข้าไปช่วยไลฟ์เฟนจากมือของครสไปถือไว้แล้วยื่นส่งคทาผินความกับบอกว่าอา้าวนายคุณลองนั่งยิงปืนกระบอกนี้ในลักษณะที่คริสทาท่าเมื่อกี้นี้สิฉันอยากจะดูเหมือนกันในฐานะที่คุณเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจนเรียกได้ว่าไลฟเฟินแมนคนหนึ่งของโลกท่านยายแท้จะสะอึกครสผมมีความรู้สึกตามความหมายของคุณว่าคุณอาจจะดูถูกในายพันเอกแห่งกองทัพ บ, บกเหาือด้านเป็น อันเป็นประเทศของคุณเองเกินไปหน่อยแล้วนะถ้าเขายิงไรเฟนกระบอกนี้ไม่ได้เขาก็เป็นทหารไม่ได้เหมือนกันแทนไม่ได้ว่าเขายิงปืนขนาดนี้หรือต่อให้ขนาดที่หนักหน่วงกว่านี้ไม่ได้แต่ฉันหมายถึงว่าถ้าที่เขานั่งยิงในลักษณะเมื่อครู่นี้นะ่ะจําเป็นด้วยหรือในข้อที่ว่าถ้าเป็นทหารแล้วจะต้องรู้จักปืนล่าสัตว์ทุกชนิดทหารตามปกติก็รู้จักแต่อาวุธสงครามที่เขาใช้อยู่เท่านั้นเขาอาจจะยิงยีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ได้อย่างสบายๆเพราะเขาศึกษามา แต่คุณไม่ได้ยินที่เขาพูดมายกหยกเมื่อกี้นี้หรือว่าเขาเคยยิงปืนล่าสัตว์อย่างมากที่สุดก็แค่จุด3 0ทเท่านั้นสวนปืนสงครามที่ใช้ประทับไหลถ้าที่เขาเคยฝึกมาอย่างมากก็ไม่เกินจุดสามศนปริฟินหรือ 7. จ็สองนาโต้จากปืนอัตโนมติถ้าที่เขาจะยิงเมื่อกี้นี้นะ่ะเป็นท่าที่รับการฝึกฝนมาอย่างแบบมาตรฐานของทหารนั่นแหละ คนเรามันก็ไม่รอบรู้เชี่ยวชาญไปเสียหมดทุกอย่างหรอกนะคุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าในท่านั่งยิงแบบนี้ลูกเลื่อนขนาดจุดสีหมาเล่นงานเขาอย่างไรบ้างฉันยืนดูอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะทักท้วงหรือแนะนำอะไรเขาบ้างแต่คุณก็ยืนเฉยนิ่งรอยเขายิงเพราะฉะนั้นฉันจึงอยากจะให้คุณสาธิตวิธีการนั่งยิงแบบนี้ให้เขาดูเป็นตัวอย่างเียก่อนเอาสิลองดูนั่งประทับในท่าเมื่อกี้นี้ที่กีก็ทำนะ่ะ หลัจบลังก็ยื่นลายฟ้นกระบอกนั้นให้เขาอีกแล้วพิงแคยี่ปลายจามูกด้วยสันนิ้วเขาแน่ใจบบ น, นี้เองว่าคริสติน่าเป็นคนละเอียดอ่อนจับไวในความรู้สึกเกินกว่าจะคาดไว้มากนักผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรกับเพื่อนคุณเลยคุณคิดมากไปเปล่าผมไม่ได้สังเกตุด้วยซ้ำว่าเขานั่งยิงในท่าไหน ก็รู้แต่เพียงว่าเขากำลังจะยิงไรเฟินและมันก็เป็นไรเฟินที่ไม่ได้หยิบหนักเลือบ่าฝาแรงอะไรมากนักคิดเองก็ไม่ใช่คนร่างเวกอย่างน้อย น, น้ำหนักตัวของเขาก็มากกว่าของผมไม่ต่ำกว่า30สิบปอนด์ให้เรื่องน้าหนักตัวมากน้อยหรือตัวใหญ่ตัวเล็กแค่ไหนนะั้นมันไม่สำคัญหรอกแต่มันสำคัญอยู่ที่สมดุลในการวางลาตัวการคุ้นเคยกับอำ น, นาจฉีดทอนถอยหลัง ปกอบกับความชั่นาที่มีมาก่อนคุณเห็นอยู่แล้วว่าคิดนั่งยิงในลักษณะเหมือนยิงลูกตรวจุดสองสองหลักการทรงตัวที่มั่นคงไม่มีเลยพอปืนนั่นตุมเขาก็จะเสียหลักหกเขมรตีลังกาไปเท่านั้นเองดีไม่ดีไหลาอาจจะซุดหรือกาบอาจจะหักคุณต่อยเข้ามายังไม่หนำใจอีกหรือถึงจะให้ปืนของคุณมันช่วยทํำลายเขาอีกเอ๊ะอะไรกันรู้สึกว่าจะเรื่องมากไปเสียแล้วนะคะ ร, ริส ม, ม, ม, มีอะไรเหรอือณนักคณะรองถามเบาๆไม่มีอะไรหรอกค่ะอาจารย์ ทุกอย่างก็เหมือนที่อาจารย์และทุกคนได้ยินที่ฉันพูดกับมิสเตอร์ฮันเตอร์คนนี้แล้วฉันไม่ต้องการให้คิดต้องขยาดต่อไรยเฟนที่เขาจะทดลองเสียในนัดแรกที่ยิงเพราะท่ายิงที่ผิดหลักและกำลังขอร้องในายพานพุ้นี้ให้ยิงให้พวกเราดูก่อนโดยการนั่งยิงท่าเดียวกับคิดเตรียมพร้อมที่จะยิงอยู่เมื่อกี้นี้พนันกันก็ได้ว่ า, าราพินไม่กล้า ย, ยิงท่านั้นหรอกจริงไหม ประโยคหลังหล่อนหันมาถามเขาท่านใหญ่ไม่ตอบแต่หยิบซิก้าที่ได้รับจากคณะคณะระดับไว้ครึ่งตัวที่ท่านถูไว้ออกมาจุดจุกเฉยเธอเป็นนักเคมีฟิสิก์ยุ่งอยู่กับหลอดแก้วมาตลอดด็อร์เซอรี่พูดช้าๆบนยิ้มพร้อมกับชี้นิ้วไปที่คริสส่วนคิดน่ะก็เป็นนักการทหารตลอดชีวิตของเขายุ่งอยู่กับแต่กระเบืนมีอะไรนักที่นักเคมีฟิสิกควรจะรู้ดีกว่านักการทหารเกี่ยวกับอาวุธปืนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีข้อยกเว้นทั้งนั้นแหละคะอาจารย์ฉันเชื่อว่าฉันยิงไล่ขวัญล่าสัตว์มามากกว่าคิดสหารนะเขามีหลักสูตรสอนให้รู้จักกับปืนทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้นอกเหจากไปจากอาวุธสงครามกันนั้นหรือเธอจับผิดเขามากเกินไปแล้วครสเบลยืนฟังอยู่นานแทบขึ้นคนหัวเราเบาๆในกรณีนี้ฉันไม่เห็นว่าระพินจะมีความผิดตรงไหนจากการยิงปืนของคิดเพราะคิดเป็นคนจัดท่าโพสซชันของเขาเองและถ้าปืนกระ บ, บอกนั้นมันจะระเบิดแตกใส่หน้าคิด ระหว่างเหนี่ยวไกหรือลูกเลื่อนมันสะบัดหลุดไขว้หลังฝังเข้าไปในเบ้าตาของเขาแล้วเราก็เราอาจจะคิดได้ ว, ว่าเป็นความผิดของระพินพูดมากเสียเวลาฉันก็ไม่ได้คิดว่าระพินจะเสียตนากัดแกล้งอะไรฉันเอาปืนมานี่ฉันจะยิงในท่านั่งอย่างตะกี้นี้เองดูสิว่ามันจะตีแค่ไหนคิดพูดมาโดยเร็วคว้าปืนจากมือเพื่อนสาวที่พยายามจะยัดเยียด บ, บังคับให้ระพินทดลองท่า ตอ น, นสุดตัวลงนั่งประทับท่าท่าเดิมแต่แล้วขณะนั้นเองจอมพลายก็ เ, กเข้าไปชิดตบไหลเบาๆบอกว่าลุกขึ้นยืนดีกว่าคิดและประทับเร็งตามสบายไม่จําเป็นต้องใช้สายสะพายช่วยรัดแขนถึงอย่างนั้นหรอกมันจะทําให้เกิดแรงต้านทานขึ้นโดยไม่จําเป็นหรือถ้าหากคุณจะนั่งยิงก็นั่งแบบคุกเข่าจะดีกว่าอย่านั่งอย่างท่ายิงเป้าในเวลาแข่งขันยิงปืนทหารแบบนั้นเลย คนเอกลารีคิดอ้าปากค้างเลยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึง่งอ้าวทาไมล่ะก็ไม่เป็นทําไมหรอครับเพื่อนสาวของคุณจะตำหนิผมว่าไม่เตือนคุณหรือสอนคุณให้ถูกต้องความจริงผมก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องสอนการยิงปืนให้แก่นายทหารอเมริกันผู้มียศถึงพันเอกกล้าสงครามมาแล้วเลยมันก็เหมือนกับเอามะพร้าวห้าไปขายสวนนั่นแหละแต่เมื่อเธอต้องการจะให้ผมเตือนคุณผมก็เตือนคุณเท่าที่จะทําได้ คนช่างสังเกตช่างจับไว้จับคลิปจะได้เลิกมองผมในแง่ร้ายเสียทีฉันรู้เท่าทันคุณมากเกินไปใช่ไหมคุณถึงหาว่าฉันคอยจับผิดคุณเสียงของคริสสวนมาอย่างรวดเร็วคิดบอกมือทำหน้ายุ่งร้องออกมา Oh อ h ช t up s h เช up take it easy I will start it now ในท่าเดิมคิดเล็กอีกครั้งโดยไม่ฟังเสียงใครอีกทั้งนั้นสอกซ้าย ถึงสายสายตึงเป็นมุมขนานกับลําตัววางอยู่บนเข่าซ้ายซอาขวาของมือที่กําัอปืนวางอยู่บนเข่าขวาขาทั้งสองข้างแยกน้ําหนักทั้งหมดอยู่ที่ก้นซึ่งนั่งติดพื้นเอียงทํามุม45องศากับเป้าหมายที่จะยิงกะพินกับเชิดวุษเพนออกมาจากบริเวณแนวใกล้เคียงกับปากกระบอกปืนไปยืนห่างอยู่คนละด้านลุคกิ น, นายังคงกอดอกมองดูเพื่อนชายอยู่เช่นนั้นด็อเตอร์เซรีและเบลยกมือขึ้นอุดหู อีกอืดใจนั่นเองจุดสี่ห้าแปดแมกนาอเมริกันก็เถื่อนเลื่อนลั่นขึ้นราวกัฟ้าผ่าสิ่งที่ทุกคนเห็นในครั้งแรกคือกระป๋องเรยชันที่ตั้งเป็นเป้าอยู่ประเด็นแวกไปในพิบตากระสุนทะลุไปกระทบก้อนหินที่จับเขียวไปด้วยแต่คลน้ำเป็นปุ่นขาวฟันขมงทางด้านคนยิงระเพินจับตาดูอยู่ก่อนแล้วเขาดําลับภาพได้ทันทีที่เปลวปืนพูบออกมาจากลํากล้องขาซ้ายของคริสยังคงยันพื้นอยู่ยกขึ้นก่อน แขนข้างที่สวัดพันสายพานและจับกระโจมมือไว้ก็ยกตามปากลำกล้องปืนสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าตัวของคิดยังระทางไปทางขวาแล้วหมุนไปครึ่งรอบก่อนที่จะหกพมนันคลิ้งลงไปกับพื้นอาการเหมือนถูกคนผียแรงวที่ไหลขวาจากท่าที่นั่งไม่มันคงนั้นๆักพรนใหญ่กับเชิดวดช่วยกันวิ่งเข้าไปประคองนายคิดไว้พยายให้ลุกขึ้นในขณะที่คิดเองก็หัวเราะกากๆชอบอกทับใจ เซอรี่กับเบลขมวดคิ้วเล็กน้อยอาการไม่สู้จะสบายใจนักแต่คริสติน่าตอกความมือลงกับแขนที่ประสานกอดกกอยู่เบาๆถามเรียบๆว่าเป็นยังไงถึ่งดีใจไหมรออีกสักทีสิในท่ามืตอกี้นี้นะ่ะเพื่อนชายยังคงหัวเราอยอยู่เช่นเดิมอีกมือนหนึ่งกุมอยู่ที่ไหล่ขวาเชิดฟุตช่วยถือปืนให้ก่อนส่วนประพินทําหน้าที่คิ้วตัวขึ้นมานั่งสีหน้าของจอมพลตายด้านเฉยมือปกติดีที่สุดไม่มีอะไรสอบเพื่รถ ของความรู้สึกชนิดใดทั้งสิ้นเขาไม่สศตาคริสแต่ช่วยปัดฝนตามตัวในจ้างผมยิงถูกหรือเปล่านารพินคริสถามเชิดุ้ป้องปาสโกนเรียบไปยังเกิดที่แอบอยู่หลังก้อนหินเจ้าเด็กหนุ่มกระโดดออกมาเก็บกระป๋องเรชั่นที่ตกอยู่ในซอกหินขึ้นมาดูแล้วชูหัวแม่มือขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับแบมือสูงเอานิ้วจิ้มที่ใจกลางมือให้ทุกคนเห็นแม่นยำมากครับเข้าใจการกระป๋องพอดีพรยานใหญ่บอกเรียบ ปะไม่เร็วทีเดียวผมนึกว่าผิดซะอีกมะญิงแม่นเหมือนกันนี่นะทริสพูดเร็วขยับตัวขึ้นนั่งท่านในท่าญิงคุกเขา่าเอามือซ้ายตบที่ไหล่ขวาเบาๆนิ้วหน้านิดหนึ่งแล้วก็เอื้อมมือไป ร, รับไล่เฟินกระ บ, บอกนั้นจากเชิดพุดอีกครั้งเม้มริบ ป, ปากอย่างมันเคี้ยวตบลุกด้วยกระชากปลอกที่ทิ้งแล้วก็เดินเบือออกไปแล้วเอามือตบมือขวาตบลูกกำงเกงระวังนะคิดถ้าทํามันจะเอาเรื่องทีเดียว เซอรี่ลองเตือมาเบาคิดหัวเราะล้าหรื่องแกมใสฉันชักจะรักเจ้าไรเฟ้นโมเดลนี้เสร็จแล้วสิมันถีบหนักหน่นวงอร่อยดีพิลึกเอ้คริสเธอเก่งมากนี่ที่คำนวณแรงฉีบของปืนกระบอกนี้ได้ถูกต้องถ้านั่งแบบเมื่อกี้นี้ของฉันนะ่ะมันไม่เหมาะที่จะยิงปืนขนาดนี้จริงของเธอเพราสมดุลในการทรงตัวไม่มีเลยเอาล่ะเอาล ะ, า ล, ะลงได้รู้แรงฉีบของมันแล้วอย่างนี้สบายมากเอา้าใครไม่อยากหลอกหูก็อดหูไว้จะจะยิงนัดที่สองแล้วนะ ในท่านิ่งโพซิชันเป้าหมายเดิมดูซิว่ามันจะถีบความไปอีกไหมคนดูเป้าคือเกิกดกระโดดหลุกไปยังซอก้อนหินใหญ่ตามเดิมหลังจากวางกระป๋องลูกเก่าให้แต่หันด้านที่ยังไม่มีรอยเจาะของกระสุนมาให้คนเอกอเมริกันตบลูกเลื่อนเข้าที่ป้อนลัดใหม่เข้าในทันทีแล้วประทับเรงในท่าคุกเผาพอได้ทีก็นาวไกลเข้ามาอย่างนุ่มนวล เสียงกระมานายของกระสุนขนาดหนักดังขึ้นอีกฟ้องไปทั้งป่ากระป๋องเรเชนสะเด็นแวบห า, ายไปอีกพร้อมกับฝุนตลบอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ด้านหลังเป้าที่มือการยิงปืนไรเฟิลของคิศอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวและคราวนี้ล่างสูงใหญ่และมีส่วนหนาราวกับมีควายของเขาเพียงแค่ไหวเคลื่อนเลือกยากไปเท่านั้นไม่มีการเสียการทรงหลักทิศกระชากปอกเก่าทิ้งโดยเร็วด้วยความมันมือคราวนี้ลุกขึ้นยืนเต็มสัดส่วนเอาละได้กาละ นายผมทรงรานบินพึมพำออกมาป้ายแขนเสื้อเช็ดเหนือใต้จมูกเกิดกระโดดยองออกมาอีกเมื่อรพินตะโกนให้สัญญาณจากกริยาท่าทีแสดงบอกของเกิดปรากฏว่ากระสุนจากวิมือเคิดเข้าใจกลางเป้าหมายแต่เยื้อสูงขวาขึ้นไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคิดยิงอีกสองนัดจนหมดแมกกาซีนแล้วรอฟังผลการยิงแต่ละนัดปรากฏว่าไม่พลาดเป้าหมายเลยและพอจะคุ้นเคยกับแรงรีคอยของไลฟเฟิเท่านั้น นายทหารอเมริกันก็สามารถควบคุมวิถีกระสุนและการถีบถอยหลังได้อย่างสบายท่ามกลางสายตาของพับพวกที่จับตาดูอยู่ด้วยทุกขณะในขณะนั้นด้วยความสนใจคราวนิคิดส่งปืนอันร้อนฉี่ไปให้กุหน้าคณะผู้คุ้นเคยกันแบบมิตรสหายรองดูสิบบ๊อบและแกจะชอบฉันเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่าทําไมระพินถึงใช้ปืนโมเดลนี้เป็นปืนประจํามือของเขายิงไอ้นี่แล้วไม่อยากจะยิงปืนขนาดอื่นอีกเลยแต่นัดแรกฉันยอมซื้อความโง่ ด้วยการหกขเขมรเพราะถูกขีบเอาเอร็เกรสเตลลี่รับลายเฟ้ยกระ บ, บอกกันมาทางมองหาลูกกสุนแต่ดัพินไพรวันบอกมาเสียก่อนว่าพักปืนให้ใคลายความร้อนสักสองสามนาทีสักครับไม่อย่างนั้นรํากล้องยิ่งร้อนมันจะยิ่งขีปหนักขึ้นเปิดลูกเลื่อนให้อากาศระบายเข้ารํากล้องแล้ววางไว้เสียก่อนเราเดินไปดูกันที่ก้อนหินอันเป็นแบกกลาวข้างหลังก่อนดีกว่าแล้วพวกคุณจะเห็นเองว่าแรงพะ่าของมันพอจะไว้วางใจได้แค่ไหน อ๋อถ้าคุณจะให้การแนะนำอย่างเต็มใจโดยไม่ต้องขอร้องกันคุณก็ทำได้ดีเหมือนกันนะฉันนึกว่าคุณจะเย็บปากไว้ตลอดการเพื่อดูพวกเราทุกคนโง่เสีอีคริสเติร์ขึ้นมารอยๆทานใหญ่เอาหูทวน ล, ลมขณะหนึ่งเขานึกย้อนไปถึงดารินวาลาเลและเปรียบเทียบกับผู้หญิงอเมริกันคนนี้วัยของทั้งสองดูจะใกล้เคียงกันความคงแก่เรียนก็คงจะอยู่ในสถานภาพเดียวกัน แต่สิ่งที่เขาไม่ชอบที่สุดก็คือสไตล์ของการพูดความละเอียดอ่อนถี่้วนและถ้อยคำเสียดสีประชดประชันอันคอนกรีตตลอดจนคอยมันจับไว้จับเิพยของเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเกิดจะมาเหมือนเหมือน ก, นกันกับแม่ดอกฟ้าดาเรนเข้าเสอีกเขาไม่อยากจะให้มีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้อีกแล้วที่มีบุคลิกเหมือนแม่ดอกฟ้าดารนของเขายิ่งเห็นคริสยิ่งได้ยินการพูดจาวิจาะ โดยที่เขาเองก็ไม่ประสงค์จะใกล้ชิดด้วยแต่หล่อนเป็นฝาที่เข้ามาตอแยเองก็ยิ่งทำให้ปนเกิดความเศ้าเล้นรึกลับไปอีกเพราะคิดถึงดารินเจจะขาดลูกจินาไม่สามารถจะมาทดแทนดารินวราเลศได้แม้ว่าตลอดชั่วชีวิตนี้เขาจะไม่มีโอกาสได้พบแม่ด อ, อกฟ้าคนนั้นอีกแล้วก็ตามทั้งหมดพากันเดินตามหลังเขาไปยังตำแหน่งที่วางเป้านั้นเสียงรพินตโกนเรียกเกิดเข้าไปก่อน เจ้าพลันนมผ่ออกมายืนยิ้มรอยอยู่ก่อนแล้วพวกสสยจัรลบุญธรรมกับพวกลูกหางส่วนหนึ่งพาการเดินตามเข้าไปดูด้วยเป็นกลุ่มใหญ่พอถึงที่ระพินเขายักหน้าให้ฝ่ายในเจ้าของเขาทุกคนดูบาดแผลของก้อนหินซึ่งกระสุนปืนจากพิ่เคอิงทะลุกระป๋องไว้ไกระทบพวกอเมริกันทุกคนรวมทั้งเชิดบุษข้าไปชมพกหน้ามองใกล้ๆแล้วคลางกันออกมาในลําคอด้วยความทึ่งทั้งสี่น่าจะ ก, การจริงของนายพันเอกอเมริกันมีตําแหน่งของกระสุนตกใกล้เคียงกัน เชนนที่รงกันเป็นกระจกเนื่องมาจากเกิดได้ตั้งกระป๋องให้ยิงแต่ละครั้งไว้ในตำแหน่งเดิมก้อนหินหลังเป้าตำแหน่งนั้นแตกกระจุยเป็นโพรงลึกเข้าไปจากผิวเรียบตามปกติของมันถึงประมาณสามนิ้วคาดจะไครน้ำที่จับไว้ทั่วก้อนหินได้หายไปแทนขาวเวอร์เพราะแรงกระแทกมีรัศมีเส้นรอมวงประมาณสิบสี่ถึงสห้าุตเนื้อหินอันแข่งเป็นรอยขุยส่วนซุนไปหมดรัศมีที่มีการแผ่กระจายออกไปนั้น เกิดใช้นิ้วมือแกะตามรอยรอบๆบริรเวณ ท, ที่กระสุนกระทบ น, นั้นปรากฏว่าเศษหินที่แตกร้าได้ร่วมครูเป็นฝุ่นปล่อยออกมาแสดงให้เห็นถึงอำนาจแรงประทะมหาศาลที่แผ่รัศมีออกไปจากจุดกระทบของหัวกระสุนอันเป็นผลให้เนื้อหินแข่งแข็งผลเป็นผงไปได้เพียงแต่เมื่อยังไม่มีอะไรมากระทบซ้าเติมมันก็คงยังเกาะรวมกันอยู่ในลักษณะร่อนสุยเท่านั้นเอง คิดพย า, ยามค้นหาหัวกระสุนตามซอกหินตรงหน้าแล้วก็พบนัดหนึ่งแบนต์แต๋เสียทรงยุยี่เปลือกแข็งที่หุ้มไว้ด้านนอกส่วนมากกระจายหายไปหรือแต่ตะ ก, กั่วที่ยัดไส้ไว้กับเปลือกบางส่วนตรงโคนของหัวกระสุนตกจุูใกล้กลุ่มวัชพืชอันมีนลักษณะเหมือนต้นเฟือดเดกเล็กที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินเขาหยิบขึ้นมาชูให้พรรคพวกดูสองหญิงที่ยืนอยู่เฉยเฉไม่ได้สนทนาอะไรแต่เซลลี่เบิกตากว้างขึ้นร้องโอ้โห แล้วก็รับไปจากมือคิดบนพิจนารณาดูในฝ่ามือหัวหน้ า, นาคณะคลางออกมาเบาๆเราเห็นจะไม่ต้องเปรียบเทียบกับขนาดอื่นอีกแล้วรักกระมังไอ้นี่นะ่ะเหมาะที่สุดแล้วแรงพัฒนามันน่าดูชมทีเดียวฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเราจะดสนใจได้แล้วบ๊อบให้ก็ส่งไล่เฟินขนาดนี้มาให้เราคนละกระบอกดีกว่าแต่ฉันคิดว่าแกควรจะลองก่อนสักชุดว่ามันทารุเพินไปไหมสําหรับแรง สะท้อนถอยหลังและพอจะควบคุมวิธีกระสุนของมันได้หรือเปล่าสําหรับฉันนี่ะพอจะยิงได้สบายมากโอเคโอเควางเป้าเข้าฉันจะลองยิงดูแต่สารภาพกันก่อนนะฉันไม่ใช่มือไร้ฝื้นหรอกนะจอร์โมกุเทสสามคนของเขาให้จัดวางเป้าอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ชกระง๋องเรเดชั่นขนาดที่ย่อยลงกว่าที่คิดยิงไว้ก่อนแล้ววางเรียงรายกันบนยอดหินก้อนเดิมโดยเวระยะห่างกันกระป๋องละประมาณหกนิ้วสีกระป๋องเลยทั้งหมดเดินกลับมาที่เก่าอีกครั้ง เซลลี่คว้าปืนขึ้นรองลูกเลื่อนออกสองดูในลำกล้องอย่างคนรบอบคอบแล้วรอดลูกเลื่อนเข้าไปตามเดิมแต่การบรรจุกระสุนที่เชิดวุฒส่งมาให้แล้วป้อนลูกเข้าลางังเพลิงเสียงดังครวบเบวคว้ากล้องสองทางใจกำลังสูงแต่ขนาดเล็ของหลอนออกมาสองสังเกตที่เป้าหมายเหล่านั้นคนดูเป้ากเกิดหลบเข้าบังที่กำบังอย่างนกครโดยที่ไม่ต้องให้เตือนอะไรซ้าอีก ลายขึ้นขนาดหนักเมื่อขึ้นมาอยู่ในมือของอเมริกันร่างใหญ่ๆอย่างเซรีและคิดดูแล้วมันก็กลายเป็นปืนที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตอะไรเลยและถือได้สบายๆในมือเพียงข้างเดียวเหมือนหยิบไม้ท่อนขนาดกระทัดรัดเท่านั้นเซอร์รีเลิกแขนเสื้อขึ้นจนถึงข้อศอกแล้วประทับปืนขึ้นไหล่เปิดตายิงทั้งสองข้างโคด้าคณะเล็งอยู่นานพอสมควรก่อนจะเหนี่ยวไกานัดแรกซุ่มออกไปแรงกระแท่ทําให้ร่างไหวหย่วบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากการยืนตั้งหลักที่ถูกต้อง กระป๋องแรกที่ตั้งอยู่ซ้ายมือสุดไม่แสบปฏิกิริยาใดใวัตถุ ก, กระสุนเลยแต่หินํำบางหลังเป้าเดือกระป๋องเยื่งไปด้านขวาขึ้นไปเล็กน้อยแต่กระจายเป็นฝุ่นสูงขวาประมาณหนึ่งนิ้วครับประวพินบอกยิ้มยิ้มจากการเข้าดูด้วยตาเปล่าของเขาเซอรี่ บ, บ่นสบด่าดตัวเองคุมพันสัรนหัวช้าชากระชากกอกระสุนเก่าทิ้งแล้วมาจุดนัดใหม่มันถีบ ด, ดีแต่ ไม่มันตรงที่ยิงผิดเป้านี่เองไม่เป็นไรหนะ้าด็อกเตอร์หัวช้างใหญ่กว่าหัวกระป๋องตั้งเยอะลูกก็มีมากมายเชิดวัตบอกมาบนหัวเราะอเมรการอาวุธโศกที่สุดในคณะเล็งนัดที่อสองอีกทั้งเป้าหมายเดิมสังเกตได้ว่าลำกล้องปืนของเขาสายไปมาเล็กน้อยเนื่องจากมือยังไม่เที่ยงแต่และอึดใจต่อมาเขาก็ตัดสินใจลั่นไกตูมที่สองพักพวกช่วยกันตบมือกราวเมื่อกระป๋องลูกนั้นกระเด็นไปในพริบตานัดที่สามเซเลอร ย, ยิงเร็วขึ้นอีก และมันก็เข้าเป้าหมายอย่างแม่นยําโดยกระป๋องกระเด็นไปอีกส่วนนักที่สี่ปีนต่ํากระทบยอดหินที่ตั้งกระป๋องแต่กระจายเป็นสะเก็ดและผลกกระป๋องเฮลชันให้ลอยตัวสูงโด่งขึ้นไปบนอากาศเกือบถึงยอดไม้เตีเต้ยประพินยืนมองดูอยู่ด้วยอาการเรียบปกติไม่แสดงความเห็นอะไรทั้งสิน้นลักษณะของหัวหน้าคณะไม่แสดงอาการกระตือรือร้นอะไรกับฝีมือยิงปืนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้แต่ก็ไม่ถึงกับแม่นยําเป็นจับวางอะไรนะักสมปืนให้เชิดวุฒิอา้าวลองดูมั่ง เชิดพุธแม่ตุิยเสดวางจุดสามเจ็เท่าลงบรรจุกระสุนเข้าปืนของระพิน์เขาไม่ได้เล็งไปที่กระป๋องซึ่งเกิดนํา ม, มาตั้งไว้อีกครา้งหนึ่งแต่ประทับเต็มสูงไปยังตะปุ่มตาไม้ที่งอกขึ้นอยู่ตรงกลางต้นยางสูงชรูดทางไกลออกไปประมาณห้าสิบหลานัดแรกเข้าใจกลางต้นยางและเห็นสเก็ษเปลือกไม้ปลิวว่อนอย่างชัดเจนนัดที่สองสุดกระทบตะปุ่มที่งอกอกอกมาทางด้านข้าง ก้อนขนาดลูกมะพร้าวขายกระจุยไปและนักที่สามสี่ในพันธ์ฟรีแห่งกองทัพปกไทยยิงกลางนําต้นยางตามเดิมติดต่อกันอย่างรวดเร็วเสียงกระสุนระเบิดสนั่นหวั่นไหวไปหมดทุกครั้งที่กระสุนระเบิดพันนําก้อนออกไปผู้ที่ยืนอยู่เพียงข้างรู้สึกว่ามีอากาศอัดวู่เข้าหาตัวเมื่อยิงนัดสุดท้ายเชิดวุ้กระชากลูกเลื่อนเปิดค้างแล้วส่งไปให้เบลล์้องยิ้มแค้นแครสันหน้าฉัไม่สนใจหรอกเพราะฉันไม่ใช่นักเลงไลเฟิลลองให้คริสยิงดีกว่า ทหานหนุ่มยื่นปืนไปให้คริสติน่าลองดูหน่อยไหมคุณชอบเล่นไรเฟิลไม่ใช่หรือและรู้สึกว่าจะชำนาญอยู่ไม่น้อยทีเดียวแม่ผมทองสายหน้าช้าฉันไม่ชอบยิงเป้าไม่มีชีวิตหรือว่ายิงสัตว์ถ้าจะชอบยิงก็ชอบยิงคนเท่านั้นคำพูดนั้นดูเหมือนจะเจตนาให้เบินไพวันได้ยินโดยฉเฉพาะข้อหน้าเสีดานะครับที่ตอนนี้ยังไม่มีคนจะให้มาเป็นเป้าปืนของคุณหรืออย่างน้อยก็ยังไม่ถึงเวลานั้นเอาไว้ให้ถึงเวลาเสียก่อนคุณคงจะไม่ผิดหวัง สำคัญว่ายิงให้ถูกก็แล้วกันถ้ายิงผิดคุณจะลําบากจอมพานตอบน้ําเสียงไม่จริงจังอะไรนะักก็คุณนั่นแหละในฐานเจ้าของปืนแลได้ฐานะที่พวกเราทุกคนต้องฝากชีวิตไว้กับฝีมือการยิงปืนของคุณจะ ก, กรุณายิงโชว์ให้ดูหน่อยไม่ได้หรือฝีมือของรพินพายวันในการยิงปืนมีค่ามากครับยิงให้ใครดูเฉยเฉยไม่ได้หรอกนอกจากจะมีผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่ากันเขาตอบ เ, อเปรียบก็คุณจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตอบแทนหรือสินพนันละ่ะ หมาความว่าจะพนันกับผมอย่างนั้นเหรอใช่พะ น, นั้นก็ได้น้ําเสียงและท่าทีของคริสติน่าเต็มไปด้วยาการท้าทายจะเอาอะไรมาเป็นเติมพันดุดีอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ต้องมีกติกาเสียก่อนไอกระป๋องที่ให้คริสกับอาจารย์ยิงหนาหนักมันหวานเกินไปย่มือการยิงปืนของคุณมันไม่ช่วยให้ให้อะไรขึ้นมาได้หรอกและก็ไม่น่าจะตื่นเต้นด้วยเพราะคนยิงปืนเป็นมาบ้างในรายเฉลรีย่ข้อมักจะยิงถูกด้วยกันทั้งนั้น เป้ขนาดนั้นระยะขนาดนั้นอย่าว่าแต่ปืนยาวเลยปืนสั้นก็ยังไหวกล่าวยังไม่ทันจะจบประโยคดีคริสก็เดินเข้าไปใกล้เบลจึงปืนสั้นลํากล้องสีนิ้วที่ติดอยู่ในซองข้างเอลเพิรนสซาออกมาทันมาจำเนดูพลานใหญ่ทั้งยั่วและทั้งท้าทายกล่าวออกมาว่าท่านจะไม่พูดเฉยเฉยประเดี๋ยวคุณจะว่าดีแต่พูดแต่จะยิงให้ดูก่อนด้วยปืนสั้นของเบลกระ บ, บอกนี้แหละหลอ่นยกปืนสั้นขึ้นเล็งโดยประคองไว้สองมือ ล้างนกขึ้นในระบบซิงเกิลแอคชั่นปังแรกกระป๋องกระเด็นปังที่สองก็กระเด็นหายไปอีกในการยิงติดต่อกันอย่างรวดเร็วปังสามกระป๋องใบที่สามหมุนติ้ลบนที่ตั้งแล้วก็ถูกยิงซ้ำด้วยนัดที่4ี่กระเด็นหายบื้อไปปังที่ห้าลำเหล่กระป๋องใบที่4ี่ป้าหมายกระเด็นไปกระแทกหินหลังที่กําบังแล้วก็ดอนกลับลงมาเร่งอยู่ยังหน้าหินที่วางเป้านัะสุดท้ายหล่นยิงกระป๋องลูกที่หลนอยู่กับพื้นกระเด็นลอยขึ้นมาข้ามก้อนหินไปอีก เ <c oughs> ชดิดวุฒิภาร์ขึ้นเหมือนทุกคนที่มองเห็นอยู่ยืดตัวแข็งอเมริกันอีกสาคนยิ้มยิ้มพ่อรู้ฝีมือกันดีอยู่แล้วสารพินไพรวันเฉยเฉยมือนขนาดคริสติน่าไม่มีน้ำยาหลอกถ้าดาร์เรนวาราเลตหรือมาเรนฮอฟมันยืนอยู่ที่นี่ด้วยอย่างไรก็ตามกลกล้อศึกษาให้นิดหนึ่งข <c oughs> ึ้นเหมือน <c oughs> คุณเหมือนนังเอ็ดในภาพยนตร์มากมิสกรูบินพะยะสามสิบลาเป้าหมายเพียงแค่กระป๋องให้ยิงกันด้วยไรเฟิลปุ่โถเอ้ยแค่ปืนสั้นลำกล้องสีนิ้วก็หรือรัประทานแล้ว ครับเหลือรับประทานแล้วสำหรับมือปืนขนาดท็อกั้นอย่างคุณและขอภาวนาให้คุณจริงได้อย่างนี้ทุกั้งไปในเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นคุณจะช่วยให้คณะของผมเบาใจขึ้นอีกมากเชียวทางไกลออกไปทางกลุ่มของลูกน้องสีคนของรักพินพวกนั้นซุบซิบวิพากษ์วิจยัยกันแซบเสียงบุนคำสะบัดออกมาว่าอีแบบนี้ก็ต้องให้เจอกับนายหญิงดาเรนค่าต่อร้อยเอาหนึ่งเลยวะ กับแมมผมทองนั่นไม่ต้องถึงท่านนายหญิงล็อกแค่นายแม่มมาเล่นก็พอแล้วแม่มคนนี้นี่ถ้าทามัดร้ายกัดอยู่จะยั่วเจ้านายของเราให้ได้ถ้าทางอยากจะระขมอดนารพินเต็มที่ข้านายของเรานี่หน้าถ้าเป็นนายทหารชายยันก็แล้วป่านนี้ขี้ค้านจะสบายแต่ว่าละจุบากทิกจักอย่างขัดอารมณ์ทางด้านกลุ่มนายจ้างราพินยิ้มเหนื่อยเหนื่อทำท่าจะเดินหนีแต่เบลกล้าไปสกัดหน้าไว้ เดี๋ยวจะไปไหนคริสเขาท่าอะไรคุณไว้คุณก็น่าจะรับำคำท้าผมไม่สู้ต้องสู้สิอลิเบตพูดยิ้มยิมเอามือยันอกไว้แล้วหันมาทางเพื่อนสาวอ้าวคริสเธอมีเงื่อนไขและกติกาอย่างไงที่จะให้มมสเตอร์ฮันเตอร์คนนี้ยิงปืนให้เราดูเป็นขวัญตาคริสเดาะสิ่งที่ถือเตรียมไว้แล้วในมือขึ้นแล้วชูให้ดูนี่คือกระสุนปืนลูกซองขนาดสิบสองระยะประมาณสามสิบหลาเท่าเดิมตรงตำแหน่งที่ยิงกระป๋องกันอยู่เมื่อกี้นี้ เราจะตั้งกระสุนลูกซองนัดนี้ไว้วบนกระป๋องอีกที่หนึ่งเงื่อนไขก็คือในายพลใหญ่ของเราจะต้องยิงกระสุนลูกซองนัดนี้ให้ถูกภายในวงกระสุนนัดแรกและนัดเดียวด้วยแรงเคลื่อนประจํามือของเขาถ้าผิดแพ้ถ้าถูกชนะเป็นยังไงครับอาจารย์พิสว่าเห็นด้วยไหมหัวหน้าคณะหัวเราะชอบใจแต่พิสค้านว่าถ้าลุ้นไปหน่อยมั่งพิสริยะไกลตั้งขนาดนั้นกระสุนลูกซองที่เอาไปตั้งที่นั่นถ้าตามไม่ดีก็แทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้ว เห็นตัวลูกกระสุนเสียด้วยซ้ำถ้าตาดีๆหน่อยก็เพียงแต่เห็นเป็นจุดยิดเดียวเธอเจียวธนาจะข่มขู่คุกคามเขามากเกินไปไม่ข่มขู่ไม่คุกคามสิระยะแค่นี้เองกระสุนลูกซองขนาดสิบสองก็ไม่ใช่เล็กอะไรนักฉันพนันก่อนได้ว่าฉันยิงถูกด้วย AR หนึ่งากระบอกนี้แล้วนักประสาอะไรกับคนมืออาชีพอยู่กับไรขฟ้ล่าสัตว์อย่างระพินถ้าไม่เชื่อจะยิงให้ดูก่อนก็ได้เอาไหม จอมพานยืนนิ่งป้องฝากเอาไม้แคะฟันเฉยอยู่เอาละเงื่อนไขมีแล้วคราวนี้สินพ น, นันหลักคุณจะเอาละมาพนันกับเขาเชิดบุดร้องถามอย่างลุกสนุกอะไรก็ได้ฉันรับท้าทั้งนั้นว่ายังไงคุณรพินไทยวันแต่ผมไม่รับท้านีครับเพราะผมไม่ต้องการสินพ น, นันอะไรสักอย่างเดียวอะไรก็ไม่สาคัญเท่ากับว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะิงได้ถูกเอาเง่งนี้ดีกว่าผมเสนอเองเชิดบุดเสนอ ถ้าละพินยินถูกเพื่อสยอมให้จูบเชียรดีๆหนึ่งทีเอาไหมตอนตะแคงหน้านิดหนึ่งอมยิ้มไม่เลวหี่แต่ถ้าผิดละ่ะถ้าผิดคุณก็ต้องไปฝ่ายจูบเขาทีหนึ่งละสิทุกคนหัวเราะยกผิดยกเว้นละพินหน้าตาตายตามปกติป้าถ้าผิดฉันขอตอบให้ถนัดถนัด ก, กับทีหนึ่งก็แล้ว ก, กันเอาไหมเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากทีเดียวนานละพินเสียงเบลเชียร์มาพร้อมกับหัวระ อ, อกกับเพื่อน ผมคิดว่าถ้าเมสกรูบินอยากจะตบหน้าผมทำไมจะต้องพนันกันให้เสียเวลาเชิญตบผมได้เลยตลอดเวลาและเป็นพูด เ, ดเนิร์ดๆอย่างไม่สนใจทุสจนายิ้มหยันไหนว่าคุณเป็นคนจริงยังไงล่ะที่แท้ก็ไม่มีน้ำยาอะไรคุณกลัวยิงผิดใช่ไหมล่ะยอมรับว่ากลัวมากขอยอมแพ้โดยดีเอาละรับมาเสียตามตรงอย่างนี้ก็ดีแล้วจะได้รู้กันประสิยทีว่าคุณหนักไม่เท่าไหรหรอกนี่คือคําดูมิน่นที่มีเจตนาจะยั่วยุมากกว่าอย่างอื่น ขณะนั้นเองเชิวิทย์ก็กระโดดเข้ามาประกาศาดังดังละพินผมรับพนันกับคริสเองคุณมีหน้าที่เพียงแค่ยิงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าคุณยิงผิดคริสตกหน้าผมแต่ถ้าคุณยิงถูกผมจุกคริสว่ายังไงคริสจะหน้าตกลงไหมคริสหันไปมองหน้าเชิดวิทย์ขมวดคิ้วฉันจะพนันกับนายพานคนนี้ฉันไม่ได้พนันกับเธอนีิมันก็เหมือนกันล่ะหน้าเพียงแต่เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ในการพ น, นันเสียเท่านั้นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือคุณอยากจะดูละพินยิงไม่ใช่หรือคุณถือหาเข้าทุกเพียงนิดดเียวหรือ ก็ไม่เชิงเรื่องมันอยู่ที่ว่านิสัยผมชอบพนันเท่านั้นเองเขาแพ้คุณผมยอมให้คุณตกแต่ถ้าเขาชนะคุณคุณก็ต้องยอมให้ผมจูบมันใกล้แค่นั้นแหละตกลงหน้าพ ย, ยักหน้ารับคำพูดดีเพราะแต่เขาจะยอมยิงหรือไม่เท่านั้นหลอนปลายตา ม, มองดูรพินโดยใจจริงแล้วผมไม่กล้าเพราะกลัวคุณเชิดวุฒิจะถูกตกเจียบเปล่าๆแต่ถ้าเจ้าตัวเองขอร้องผมก็เห็นจะไม่ปฏิเสธ จอมพลพูดยิงทนายพ่อคุณผมขอร้องเชิดบุญสวยปืนได้ก็นําเขาไปส่งเขาจอมพลของเราขือขือ้ไม่กลัวถูกตบแน่นะครับยิงให้ผมได้จูบสิอย่ายิงให้ผมถูกตบเอาเสียงบุญเสียงกรรมไปตามเรื่องถ้าถูกตบก็อย่ามากล่าวหาผุมก็แล้วกันละพินพูดอ่อยอ่อยสั้นยิม้มรับเปิดมาเปิดลูกเลื่อนแล้วบรรจุเข้าไปนักเดียวกรษณนโยนลูกปืนลูกซองไปให้เกิดแล้วบอกให้นําไปวางเด็นไว้บนกระป๋องเลชั่นซึ่งตั้งอยู่บนยอดอินอีกที่นหนึ่ง พอตั้งเสร็จเดินกลับมาหล่อนก็พยักหน้ายิงให้ดีเชิดวุนจะถูกตบหรือไม่ก็อยู่ที่ฝีมือของคุณนั่นแหละทานใหญ่ยกปืนขึ้นประทับเปล่งทุกคนเงียบเกร็ดมองมาที่เขาเป็นตาเดียวกันตะพินเล็งอยู่นานเกือบครึ่งนาทีก็ปล่อยกระสุนตุงออกไปผนังหินที่อยู่หลังเป้าแตกกระจายสูงกว่าระดับที่ กระสุนลูกซองตั้งอยู่ประมาณสองนิ้วแต่ตัวกระสุนลูกซองนัดนั้นยังตั้งเฉยไม่สะ ด, ดุ้งเคลือนใดๆเลยทุกคนเงียบเกลียดแม้แต่เชิดวลดึงหน้าม่อยซะปินไพรวันลดปืนลงช้าๆพร้อมกับบอกกับเชิดวลดเบาๆ ว, ว่าผมเสียใจด้วยนะครับผมพยายามอย่างที่สุดแล้วพอจบเขาก็วางปืนเดินผ่าไปอย่างปกติเงียบๆเชิดวลสั่นหัวบลนพึมแล้วเดินมายื่นหน้าให้คริสโดยดีอา้าวผมแพ้พนันคุณแล้วเชิญตบได้ตามสบาย แม่ผมทองหลีตามองตามหลังคานใหญ่แล้วเดินเข้าไปพูดจากับหัวหน้าลูกหักอย่างใช้ความคิดแล้วค่อยๆ่หันกลับมาทางเชิดวุดแทนที่จะตอบตามที่ได้พนังกันไว้กลับบอกเสียงเบ า, เ, บาเห็นหรือยังเห็นลูกไม้เลขกลนของคนคนนี้ไหมเขากล้งยิงให้ผิดเพื่อหักหลังคุณยังไงล่ะอย่าทำโง่ไปหน่อยเลยหน้าคุณควรจะวิ่งไปเตะเขาสักทีหนึ่งแทนที่จะยื่นหน้ามาให้ฉันตอบอย่างนี้เชิดวดสายเปลือกตาถีดฉีมีอาการงงอุทานเบ า, เ, บ า, เ, บาเอ๊ะ คุณแน่ใจหรือว่าเขาแกล้งยิงให้ผิดเป้ามันเล็กมากอยู่นะและผมก็เห็นเขาพยายามเล็งอยู่นานผิดปกติทีเดียวมันอาจจะพลาดได้เดี๋ยวท่าจะพิสูจน์ให้คุณดูเองกอจบเพรสก็ยกมือขึ้นตบเบาๆเรียกไปยังกลุ่มพลานพื้นเมืองของรัพินทั้งสี่พร้อมกับควักมือเรียกคุณคําจันเกวดเสยมองหน้ากันเลือกลากเซมเพรสโกรเรียกว่าเข้ามานี่หน่อยเั้าสี่คนนั่นแหละพลานคู่ใจของรัพินทั้งสี่คนพานกันเดินเข้ามาอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งสิน้นรอนทั้มหน้าตาปกติว่านี่ ในบรรดาพวกเราสีคนนี้นะ่ะใครคิดว่าเป็นคนที่มีฝีมือยิงปืนเร็วที่สุดยิงแม่นน้อยที่สุดพวกนั้นมองหน้ากันเองไปมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเสยก็หัวเราะแห่แห่ผมครับแหมมผมยิงปืนแย่กว่าทุกคนในสีคนนี้ดีแล้วหันว่าคว้าอะไรคว่ของพินที่ยังวางพิงก้อนหินอยู่ส่งไปให้เสยลองยิงกระสุนลูกซองนัดนั้นให้ดูหน่อยซี่ยิงให้ถูกนะถ้ายิงผิดฉันจะเขะกัวเสยให้แรนที่สุดเลยใส่หัวเราะไม่ว่าอะไรคว้าปืนขึ้นมาได้ก็ปะทะเปลงอย่างพาซื้อ พอไม่รู้สายกนในอะไรมาก่อนอินใจเดียวก็ปล่อยกระสุนเฟซออกไปกระสุนลูกซองนัดนั้นระเบิดหายวักไปกับตาเซเลรี่คสเปลและเชิดบุตรอาปากค้างเชิดสายไปทางเชิดบุดคราวนี้ชัดเจนแล้วหรือยังเด็กหนุ่มคนนี้เป็นมือไร้ฝฟ่นที่ตัวเองยอมรับว่าหวยที่สุดของคนที่ชื่อระพินภัยวันพูดช้าๆและตบไหล่เสยเบ า, าๆเสยลองบอกฉันซิทําไมพานแดดของเธอจึงยิงกระสุนลูกซนัดนั้นดับผิด ก็ใครบอกแหม่มล่ะครับว่าพานใหญ่ยิงกระสุนปืนลูกซองแถวนี้หลอนงงอ้าวแล้วเขายิงอะไรมีต่อหลุมตัวเบอร์เลอร์ตัวหนึ่งมันบินว่อนอยู่เหนือกระสุนลูกซองนัดที่ตั้งอยู่บนนั้นตัวรับพินจะยิงตัวต่อตัวหลุมนั่นต่างหากล่ะครับถูกมันกระเด็นแหลกไปแล้วแกไม่ได้ยิงกระสุนลูกซองสักหน่อยพวกผมเห็นกันอยู่ทุกคนตัวต่อตัวหัวขนาดหัวแม่มือต่อยใครเข้าก็จะชัก แต่ตัวมันเล็กยิ่งเสียกว่าลูกซองนัดนั้นปั้งแยะแกะอีแค่กระสุนลูกซองระยะขนาดนี้นะ่ะพานใหญ่ไม่ต้องเล็งนานอย่างนั้นหรอกครับยูสิน่าเมมริพิบ ป, ปากเบลผู้ใช้กล้องสองซูเป้าหมายตลอดเวลารับมาด้วยเสียงกระซิบว่าใช่ใช่มีมแมลงชนิดหนึ่งบินทำท่าเหมือนจะเกาะกระสุนลูกซองนัดนั้นและกระสุนไลเฟินของดถินเ่ามันหายไปในพิบตา มองจากกล้องนี่เห็นถนัดชิเดียวฉันรู้แล้วล่ะเขาไม่อยากจะให้เชิดวุดิจูบเธอเท่าเท่ากับที่ตัวเขาเองก็ไม่อยากจะถูกเธอด้วยเหมือนกันด็กเตอร์สเตอรลี่สั่งให้คริสใช้เครื่องมืทยุทันใดนั้นโดยตัวเองนั่งคุมอยู่ใกล้ๆระหว่างนั้นเชิดวุดิเบลนั่ ง, วงรวมกลุ่มกันอยู่ไม่ห่างนักสําหรับคริสนั่งเคลิ้มไปตั้งแต่นั้นไม่พูดจะอะไรกับใครอีกทั้งสิน้นเชิดวุฒิคุยเล่นหยอกล้อกับเบลแต่คอยเงาหูฟัง ภายหลังคิดอันทําหน้าที่พนกักงานซติดต่อเรียกกับฝ่ายตรงข้ามและโต้อตอบเป็นรหัสจะอยู่ครู่นหนึ่งก็ส่งที่พูดและหูฟังให้หัวหน้าคณะทันทีสปิริตวันสปิริตวันเชิดวชจับกระแสความในประโยคแรกได้ดังนั้น ท, ท, ทั้งที่เขาหัวเราะและพูดจายอยู่กับเบลบางขณะก็หันไปกระซเอาเย้าแห ย, แยกักคริสผู้นั่งเงียบเฉยนายพันตรีแห่งกองทัพ บ, บกไทยผู้ติดตามคณะในฐานะตัวแทนของฝ่าย เขาฟรองกาลาโหมอยากจะให้รับพินไพรวันเข้ามาอยู่ในขนา น, นี้เป็นอย่างยิ่งแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะแสดงความเห็นอะไรออกมาได้นอกจากตนเอจะพยายามเงียบหูฟังเท่านั้นเซลลี่พูดกับปากพูดเพียงคนเดียวเสียงฝ่ายโน้นไม่ได้ยินเพราะการใช้ครอบหูฟังภาษาที่พูดเป็นภาษาปกติธรรมดาโดยไม่มีรหัสอะไรมากนะักเขาจับได้กินบ้างไม่ได้ยินบ้างเาพราะผู้เชี่ยวชาญทางนิวเคลียร์พูดด้วยเสียงปกติค่อนข้างเบาอ่านแสงว่าประสิทธิภาพของเครื่องวิทยุ ซก็ไม่ใหญ่ไปกว่าตู้พิมพ์ตีกระเป๋าทิ้วท่าห่นักศูนยอดเยี่ยมมากไม่เกินสองสามนาทีการพูดโต้ตอบเซลลี่ก็หยุดชะงักหันหน้าไปรอบๆแล้วถามทุกคนว่าระพินยอยู่ที่ไหนให้เขาเข้ามาที่นี่หน่อยสิเชอร์รู้เป็นคนป้องปากสะโกนเรียะขณะนั้นจอมพลังกําลังดูเหมือนใช้ยางรัดของรัดกระสุนปืนของเขาเป็นชุดๆอยู่เพื่อเตรียมใส่กระเป๋าเสื้อระพินเดินเข้ามาในฐานะหนุ่มชีพไปที่หัวหน้าคณะจึงเข้าไปหย่อนกายลงใกล้อยู่ตรงหน้าเครื่องวิทยุ ผมติดต่อกับกองบัญชาการได้เรียบร้อยแล้วและเขาก็พร้อมที่จะจัดหาสิ่งที่เราต้องการส่งมาให้ในทันทีขอปรึกษา ย, ย้ำความกับคุณอีกสักครั้งหนึ่งควรจะเป็นยี่ห้อเป็นโมเดล70ให่ไหมแล้วก็ไม่ต้องมีสูตรกล้องด้วยครับอย่าลืมแช่และน้ำยาสำหรับชำระล้างกล้องกับสายสไดทที่เหนียวแน่นคงทนด้วยเป็นพิเศษกระสุนควรจะสักเท่าไหร่ดีไม่ควรจะเกินร้อยนัดในแต่ละกระบอกเพราะน้ำหนักมากแบ่งออกเป็นลูกอ่อน และลูกวอกแข็งอย่างรักครึ่งเซลลี่พยักหน้ามือหนึ่งยังจับปากพูดอีกมือหนึ่งกลางแผนที่ซึ่งแจกกันไว้โดยมีเหมือนกันทุกคนในระหว่างบุคคลร่วมทางชั้นหัวหน้าคณะทั้งหลายขี้ออกไปและถามต่อไปว่าจุดนัดพบที่ไหนเวลาประมาณทเท่าไหร่ผมจะได้บอกเขาแน่นอนแตะพินไม่พูดมากจี้ลงไปในแผนที่บริเวณหนึ่งแล้วบอกเท่าที่จําเป็นว่าอีกสองชั่วโมงให้เขาบ่ายหน้าไปให้ถึงที่จุดนั้นและสังเกตควันไฟที่เราจะปอดสมขึ้นเป็นสัญ ญ, ญาณ ตัวน่าคณะผููช้าสั่งการทันทีตามที่ตปินบอกแต่ตำแหน่งจุดนัดพบนั้นเขาบอกเป็นพิกัดของตัวแรกที่ฝ่ายไทยไม่มีใครฟังออกหรือเข้าใจก่อนจบคำสั่งมีการสั่งซิดพิสและต่อมาอีกตืนใจหนึ่งเขาพยักหน้าบอกว่า Thank you over แล้วก็ลุกขึ้นยืนเก็บวิทยุแล้วออเดินทางได้แล้วนั่นคือคำสั่งกี่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นขบวนเดินทางก็พร้อมตปินถันไปตะโกนสังคนของเขาขึ้นดังๆขึ้นเหนือโปร่งน้ําร้อน จากตำแหน่งที่พักนอนทั้งหมดเริ่มเพื่อนเป็นคาราวานกะเหลี่ยงห ม, หมู่บ้านซัก บ, บอจํานวนหนึ่งรวมทั้งเจ้าฟรีหัวหน้าหมู่บ้านเดินตามมาส่งจนถึงเส้นทางด่านใหญ่แล้วยืนจับกุญยืนมองอยู่เฉยๆลุณนายจ้างหันไปโบกมืออำลาแต่คนเหล่านั้นมองดูเฉยๆไม่ต้องกลัวไเสือตัวนั้นบุญคําซึ่งเดินคุมอยู่ท้ายขบวนล้องบอกกระเหลี่ยงฟรีจัดการกับซากช้าให้เรียบร้อยเสือมันจะตามพวกข้าไปไม่อยู่รังควานพวกเองให้เสียเวลาหลอกแล้วแกก็หัวเราะ เบลเดินอยู่ใกล้ชิดจันอันเป็นพานประจําตัวซึ่งรู้ใช่กันออกไปแล้วหันมาถามว่าจะเท่าบุญคําพูดอะไรกับพวกนั้นเพราะแกใช้ภาษาเกรียงจันทําหน้าที่แปลให้ฟังหมอเบลได้ยินเกลูทานออกมาว่าแต่เท่าพูดอะไรบ้าๆบนเส้นทางด่านอันคดเคี้ยวซอกซอนไปนนระหวังสองฝั่งลกทึกนั้นจริงตามที่ตะพินพูดไว้คือทุกคนไม่มีโอกาสพบเห็นหมู่บ้านของเกรียงซับบอลเลยอันเป็นวัตถุประสงค์ของนายจ้างอยู่แล้วที่จะไม่ให้มีการข่องแวะเข้าไปใกล้ กอนการสร้างแคมป์เย็นวานพืชพันธุ์หมู่ไม้อันเป็นสภาพของป่ามันเริ่มฟ้องตัวเองชัดขึ้นทุกขณะที่พากันเดินไปอย่างเงียบๆเบถาวันเริ่มมีเส้นขนานใหญ่ขึ้นกว่าเดิมต้นไม้ใหญ่บางต้นอายุเป็นร้อยรปีขึ้นไปและสูงแงนคอตั้งบ่าแม้แต่กิ้งกาที่อาจจะเห็นเกาะสงบหัวอยู่ริมทางก็มีขนาดเท่ากับข่อนแขนข้อขาสีสันของศีรษะมันราวกับเอาสีสันสามาระบายทิ้งไว้ ผันโตรอลึกผานหน้าผาชันมอและมอบสูงสู ง, สงต่ำต่ำเดียวรัดไปตามภูมิประเทศของพงไพรซึ่งอารยธรรมยังเกลีดกลายเข้ามาไม่ถึงบรรยากาศเงียบสงบลิงข้างบางชนีไม่ปรากฏวีแววให้เห็นนอกจากนานๆจะเห็นกรอกดงขนาดเฉียงวิ่งโดดเดี่ยวอยู่บนาคาคบสูงและส่งเสียงร้องทักทายเมื่อเห็นกลุ่ ม, มนุษย์ กลิ่นสาบของใบไม้เน่าที่หมักหมมทับถมกันอยู่เป็นเวลานานเป็นพืชและดอกว้านบางชนิดชวยสลับกันไปมาหรือบางทีก็ได้กลิ่นชมดอันฉุนเฉียวแต่ไม่ปรากฏตัวให้เห็นในพิณไยวันคงเดินดุ่มดุ่ ม, มนำไปเบื้องหน้าตามปกติและฝ่ายนายเจ้าทุกคนจะรู้สึกได้ทันทีว่าวันนี้เขาเดินเร็วกว่าเมื่อวานนี้ขึ้นอีกเล็กน้อยท้องฟ้าเบื้องบนเหนือยอดป่าสดใสดีไม่มีเาเมฆฝน ชั่วโมงแรกของการเริ่มต้นเดินทางของเช้าวันนี้เท่านั้นฝ่ายในจ้าบริการทุกคนและเชิดบุญก็เหงือท่วมตัวแต่พวกลูกหาบหรือพาลพื้นเมืองปกติธรรมดาที่สุดโดยเฉพาะพวกลูกหาพากันเข้าแถวหาบของเฉิบๆอย่างสบายใจยังกระเดินตัวเปล่าทั้งๆ ท, ท, ที่ส่วนมากก็รูปร่างเล็กๆผอมๆเกร็งและท่าทางคี้โลกกันเสียเป็นส่วนมากถ้าไม่ตายเสียคราวนี้ฉันคงลดน้ำหนักตัวได้มากทีเดียวเพิสพูดขึ้นในในหมู่คณะของเขา ขณะที่เป่าลมออกจากริบบิปปากอันแห้งผากวุฒคุณไปเดินประกบตัวชวนนายนั่นคุยไปทางทางดีกว่าเขาจะได้เดินช้าลงบ้างเป็นการช่วยพวกเราทั้งหมดลงไปในตัวไม่อย่างนั้นแย่แน่แนนายนั่นเดินอย่าง ก, กับผีอย่างนั้นแหละแบวบอกออกไปทางพันตรีหนุ่มขณะนั้นซึ่งเอาผ้าขนหนูเล็กๆขึ้นมาเช็ดเหงื่อตามลําคอและทรงอกเชิด ว, วุฒเองก็รอโอกาสนี้อยู่แล้วแต่แกล้งพูดว่าเขากําลังทําเวลาและเร่งพวกเราอยู่ในตัวประเดี๋ยวไปไม่ถึงจุดตามเวลานัดพบ เอาเถอน้าหาหนทางอย่าให้เขาเล่งเรานักเลยนายนั่นมีอะไรฝังลึกอยู่ในใจเขาไม่ชอบหน้าพวกเรานักหรอกและหาโอากาสจะแก้เผิดอยู่ตลอดเวลาถึงทําอะไรไม่ได้เลยก็แกล้งเดินเร็วๆให้พวกเราบมดแรงเร็วตามเข้าไปด้วยไม่เห็นหรอกหรือเมื่อกี้นี้นะ่ะเขาแกล้งยิงเป้าพนันผิดเพื่อให้คริสตกหน้าคุณยังไงละ่ะชดวุฒิยักษไหลแต่ผมคิดว่าเขาอยากจะยอมแพ้คุณกับเชดเสียมากกว่า เพราะท่าทายเขาเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณหรูอคลิสเดินตามไปคุยกับเขาอาจจะช่วยช่อยเขาเดินช้าลงก็ได้บ้างเพราะถึงอย่างไรก็เป็นสุภาพสตรีถ้าลำพังผมคงไม่ทำให้เขาเดินช้าลงได้หรอกเฮ้อฉันน่ะเหรอคริสนาครานำเข่ามาเป็นครั้งแรกของการเงียบตลอดทางจ้องมองไปยังด้านหลังที่เดินนำหน้าดุมๆเวระยะห่างประมาณ50เมตรนั้น แต่ยิ่งร้ายลงไปกว่าคุณกระมังถ้าฉันเดินตามเขาโดยหมายจะกูดให้ทันให้ได้เขาจะยิ่งแกล้งเล่้ยงฝีเท้าหนักขึ้นไปอีกนะสี่เพราะเขาไม่ชอบหน้าฉันเป็นเศ ษ, ษ, ษดูแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ชอบหน้าคุณเชิดวุฒซ้อนยิม้มย้อนถามสายตาและสัญชตาตญาณมันบอกแต่ผมว่าเขาชอบคุณมากเสียมากกว่าลนะหน้าเชิดวุฒแกล้งยั่วคุณมีเหตุผลอะไรที่คุณพูดมาอย่างนี้ ถ้าไม่ชอบคุณเขาจะต้องยิงกระสุนลูกซองนัดนั้นให้ถูกเพื่อให้ผมมีโอกาสได้จูบคุณไปแล้วนะสิแต่นี่เขาแกล้งยิงผิดคุณก็เลยลอดตัวไปเป็นการช่วยป้องกันคุณอยู่แล้วยังไงละ่ะไร้สาระมันเป็นการซ่อนคมและแสงลูกไม้พิแพแแลงของคนคนนั้นต่างหากลักษณะของเขาเป็นคนกินเลือที่อ่านความรู้สึกได้ยากรู้ได้อย่างเดียวว่าเขาไม่ชอบหน้าพวกเราแน่ๆอย่างน้อยก็ซ่อความรู้สึกภายใต้ สับคันเชียสอนุสติซึ่งเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้เ็าพวกคุณไปทำอะไรเขาไม่ชอบละ่ะก้าถึงว่าน่ะสิพวกเราก็มีแต่ความเป็นมิตรและพยายามจะเอาใจเขาทุกอย่างแต่ด้ยวยท้าไปแบวเสริมมาผมว่าความเป็นมิตรนั้นไม่ต้องอาศัยความพยายามหรอกแต่ใช้ความจริงใจน่าจะได้ผลมากกว่าก่อนอื่นพวกคุณทุกคนจะต้องสำรวจตัวเองและสิ่งแวดล้อมฝ่ายคุณว่าได้ทาอะไรลงไปบ้างที่ ให้เห็นแน่ๆก็คือเขาไม่ประสงค์จะออกเดินป่านำทางอย่างเสี่ยงอันตรายในครั้งนี้แต่พวกคุณก็หาทางบังคับให้เขาต้องยอมรับงานจนได้ประการที่สองพวกคุณอาจจะมีท่าทางดูหมิ่นของอะไรเขาอยู่ในทีตลอดมาและตลอดระยะเวลาที่ได้พบกันในครั้งแรกส่วนประการที่สามอะไรแล้วเราพูดมาให้จบซิ เชิญถามโดยเร็วเมื่อเชิดพุทึงักการพูดลงจะเป็นไปได้ไหมว่าขณะนี้เขารู้สึกว่าพวกคุณควบคุมเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยแม้กระทั่งอาวุธสงครามที่ติดตัวมาทาั้งๆที่อาวุธเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง ก, กับการเดินทางในป่าลึกเลยพูดกันตรงๆถ้าเสือช้างหรือสัตว์ป่าดุร้ายมันจะทําร้ายพวกคุณเขาก็มีหน้าที่ป้องกันให้แต่ในเวลาเดียวกันพวกคุณก็ถือ M16 และดูเหมือนจะมีระเบิดสังหารหรืออาวุธทานสมัยอื่นๆอีกที่พวกคุณพร้อมที่จะฆ่าเขาได้ทุกขณะให้ตกนรกเถอะพวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยลาลิคิสร้องลั้นออกมาจากการเดินร่วมกลุ่มฟังข้อความสนทนานั้นทั้งหมดด้วยผมพูดอย่าเป็นกลางนะไม่เข้าข้างใดทั้งสิน้นและขอได้โปรดเข้าใจด้วยว่าในการเดินทางในครั้งนี้ตัวผมเองอยู่ในฐานะฝ่ายเดียวกับพวกคุณแต่อย่าลืมว่าการเดินทางคราวนี้มันมีเหตุผลในทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงพวกคุณอาจจะไม่คิดอย่างนั้น แต่ต้นสังกัดของคุณจะคิดหรือไม่ไม่มีใครบอกได้เพราะพวกคุณก็คอยฟังคำสั่งจากแหล่งบงการเหมือนกันว่าจะให้ปฏิบัติเช่นไรอาวุที่ไม่จำเป็นเหล่านี้จริงอยู่พวกคุณก็บอกแล้วว่าไม่ได้จัดสรรเลือกสันมาเองแต่เจ้าสังกัดแหล่งบงการกำหนดให้มาอยู่ในสเปคเชิดวุฒิหัวหนาคณะกล่าวขึ้นยังยเยากเย็นสุ ข, ขุมคุณเป็นคนไทยด้วยกันนเลือดเดียวกับระพิน และในฐานะตัวแทนของฝ่ายเราถ้าหากคุณคิดว่าระพินจะมีความคิดระแวงเข้าใจผิดอะไรก็ควรจะเป็นหน้าที่ของคุณที่จะอธิบายทําความเข้าใจกับเขาเสียเพื่อผลดีในการเดินทางถ้าหากในพานคนนั้นยังคิดระแวงเราในแง่ร้ายอยู่เช่นนี้มันย่อมไม่เป็นผลดีของทั้งสองฝ่ายแน่นอนผมสังเกตจากท่าทีและคําพูดจาระหว่างคนของผมกับประพินแล้วมีการขัดแย้งและถือดีกันอยู่ตลอดเวลาซริสเองก็ใช้เล่นเสียงเมื่อไหร่ พูดอะไรผิดวูรพินไปหลายครั้งแล้วและชายคนนั้นก็ตอบโต้กลับมาอย่างชนิดที่ประกาศว่าเขาก็รู้เท่าทันผมไม่ชอบเหตุการณ์แบบนี้เลยนะการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแบบนี้นะ่ะเอาละครับท่านด็อกเตอร์ผมรับจะประสานความเข้าใจอันดีนี้เองอเ ค, คนตรีเชิดวุฒิรับคำและถือโอกาสนั้นเดินแยกจากคณะโดยเรื่องผิดเท้าขึ้นตัดขบวนลูกหาบทั้งหลายปวดไล่หลังระทิงขึ้นไปนระยะ ที่ทางเดินเริ่มจะราด ช, ชันขึ้นเป็นมุมสาสิบองศาเขาป้องปากตะโกนไล่หลังเรียกขึ้นไปก่อนสพื่อปลุกใจเลี้ยวหันมาก็โบกมือเป็นสัญญาณให้หยุดรอร่างนั้นผ่อนฟีเท้าลงในขณะที่เชิดวุฒวิ่งเหยาะเหยะและชั่วไม่นานนักทั้งสองก็เดินเคียงกันขึ้นไปเชิดวุฒิอ้าปากหอประพินยิ้มให้นิดหนึ่งถามเบาๆว่ามีอะไรหรือครับผมหาโอกาสจะมาเดินคุยกับคุณโดยเฉพาะนานแล้วเพิ่งได้จังหวะครั้งนี้เองพวกนั้นเป็นคนขอร้องผมให้ช่วยมาพูดทําความเข้าใจกับคุณ เชิอดบดบอด้วยนเสียงเหน็ตเหนื่อยแต่หัวเราะ่านใหญ่เลิกคิ้วฉลอ น, นฝีเท้าเดินคู่ไปด้วยทำความเข้าใจอะไรหรือครับอีควัยโบกมือไม่มีอะไรหรอกหน้าผมแกล้งพูดสร้างสถานการณ์ขึ้นอย่างนั้นเองเพื่อให้พวกนั้นมีกังวล <c oughs> เกี่ยวกับการที่เกรงไปว่าจะทําความเข้าใจกับคุณไม่ได้แล้วเขาก็ส่งผมขึ้นมาเป็นทูตมาช่วยปรับความเข้าใจกับคุณ พวกเขาต้องการให้คุณวางใจอย่าคิดระแวงอะไรไปเลยเพราะคงจะกลัวอยู่เหมือนกันว่าลงถ้าคุณคอยระแวงและมองเขาในแง่ารายอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นอันตรายกับฝ่ายเขาเองไม่ใช่น้อยและพินไม่กล่าวอะไรนอกจากยิ้มยิ้มเสียงเชิดวุฒบ่นออกมาอีกว่าคุณเดินเร็วจังเลยวันนี้พวกนั้นบ่นอู้กันเลย ไปบอกเขาด้วยนะครับว่าใครก็ตามที่เดินปากกับผมครั้งแรกๆ ก, ก็จะรู้สึกลําบากหน่อยเกี่ยวกับการเดินตามไม่ทันแต่ต่อไปนานๆฝนีทางของแต่ละคนก็จะดีขึ้นเองเกิดความเคยชินและเดินทันผมเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการเดินทางผมอุ่นเครื่องให้เขาก่อนโดยการเดินทางหนึ่งใน4ี่เขา อ, อาจจะเดินตามปกติธรรมชาติของผมและวันนี้เป็นวันที่สองผมก็จะเร่งมาเป็น2ในสี่ต่อไปก็จะเป็น3ามในสี่และเดินเครื่องเต็มตัวคือสี่เต็ม เมื่อกําลังของทุกคนคงที่แล้วเดินป่าจะมาเดินทอดนัองอยู่ไม่ได้หรอกครับมิฉะนั้นเมื่อไหร่จะถึงเป้าหมายกันสักทีอีกอย่างหนึ่งเราก็มีจุดหมายที่ต้องเดินให้ถึงเป็นระยะระยะไปอยู่แล้วถ้าคลายเคลื่อนกําหนดอะไรต่อเมื่อไรก็จะยุ่งยากลำบากไปหมดแม้กระทั่งการตั้งแคมป์ในหานี่น่ะเหรอเป็นการเดินแค่สองในสีครึ่งเดียวของพิทาของคุณนายทหารหนุ่มริงตาโตอุทานออกมาตะพินหัวเราะนิดหนึ่งครับถ้าผมเดินตามปกติของผม ยังแต่ไม่เกิน1ิบนาทีที่เราออกเดินทางมาพร้อมกันพวกคุณก็จะมองไม่เห็นหลังผมแล้วไม่เชื่อลองถามพวกพานพื้นเมืองหรือลูกหาบทุกคนเขาพอจะบอกได้ทันทีและนอกจากอัตราปกติของผมก็ยังมีอัตราเร่งรีบอีกด้วยคือเจตนาจะไปให้ถึงโดยเร็วที่สุดซึ่งนั่นเป็นกรณีพิเศษจริงๆเอคุณก็มีสองขาและขาก็ไม่ได้ยาไปกวพวกเราเลยนะสั้นกว่าขาคนหลัคนนั้นเสียอีย พ่อใช่สองขาไม่ใช่ขาที่ยาวอะไรนะักแต่ขอโทษทีพวกคุณกนะ้าวเก้าหนึ่งนักผมก้าวไม่ได้สามสี่ก้าวแล้วระยะการมันจึงติดกันคุณเดินกิโลเดียวเหนื่อยผมเดินสิบกิโลยังเฉยเฉยก็ไม่ใช่ซูเปอร์แมนอะไรหรอกแต่อาชีพของผมมันเดินป่าประจําเช่นนี้มาสิบสิบปีแล้วอย่าแปลกใจอะไรเลยครับความชํานาญหรือความเคยชินของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานที่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอ อ, อฝากบอกพวกเขาด้วยถ้ามีโอกาสหรือขออย่าให้พวกเขาสงสัย อะไรถ้าหากบางขณะผมอาจจะเดินหายไปจากสายตาเหมือนจะทิ้งไปเฉยๆแต่นั่นหมายถึงว่าผมมีความจําเป็นที่จะต้องร่วงหน้าไปก่อนจะโดยเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่และหรือบางขณะผมก็อาจจะย้อนกลับไปเดินตามมาทางด้านหลังของขบวณก็ได้ขอให้ทุกคนเดินตามการนําของพานขึ้นเมืองสี่คนของผมไปก็แล้วกันโดยยึดพวกนั้นเป็นหลักพวกนั้นจะรู้เองว่าผมบ่ายหน้าไปทางไหนและตามกันได้ถูกเสมอในระยะเส้นทางเติม อย่ามัวไปกังวลอยู่ว่าผมหายไปไหนรับรองได้ว่าทั้งกระบวนของการเดินทางนี้จะตกอยู่ในสายตาและและความดูแลรับผิดชอบของผมทุกขณะเชิดวุฒครางอือในลําคอมองหน้าเขาอย่างพิศวงคุณนี่มีอะไรพิลึกพิลึกอย่างที่ผมไม่คาดคิดมาก่อนทุกคนที่ให้ผมเป็นผู้นําทางมักจะเข้าใจแต่แรกเช่นนี้เสมอแต่เขาก็จะรู้ได้เองภายหลังจากที่เราได้ร่วมทางกันไปนานานาตามปกติผมไม่เคยนําทางให้แก่ใครบ่อยนักหรือแท้จะเรียกได้ว่าไม่เคยเลย นอกจากคณะที่จ้างให้ผมนำไปเทือกเขาปะสีวะครั้งนั้นเท่านั้นส่วนมากก็มักจะเป็นเพียงแค่พ่านสมัครเล่นหรือนักสำรวจป่าที่มาจ้างให้พ่าสำรวจท่องเที่ยวในระยะใกล้ๆแต่การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไกลยังไม่รู้เส้นทางแน่นอนและไม่รู้อนาคตสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องพยายามทำเวลาให้ได้มากที่สุดแล้วเขาก็เว้นระยะหัวเราะเบาๆอีกครั้งคุณกับอเมริกันชุดนี้ยังดีนะเพราะอย่างน้อยก็เป็นบุคคลที่ถูกคัดเลือกมาแล้วทั้งนั้น เพื่อจะมาเดินทางมหาวิปากร่วมกับผมทุกคนมีความคุ้นเคยมาบ้างพองสมควรกับความอดทนและรับรู้สถานการณ์ความยากลาบากที่จะเกิดขึ้นเป็นการล่วงหน้าคณะนายจ้างชุดก่อนของผมนะ่แย่กว่า น, นี้มากนักแต่ละคนผิวบางและไม่เคยกลก้ากลมาก่อนทั้งสิน้นแต่พอมาร่วมทางกับผมเข้าโดยระยะเวลายาวนานออกไปพวกเขาก็กลายเป็นนักเดินป่าชั้นยอดเยี่ยมไปหมดภายหลังที่เกือบตายกันมาแล้วทุกคน ถ้าใครเดินป่า ก, กับผมในลักษณะนี้แล้วลอดตายกลับถึงบ้านได้การเดินป่าและการเผชิญหน้ากับความยากลำบากทั้งหลายในโลกนี้กลายเป็นเรื่องที่ผงสำหรับเขาทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้าจะมีการประสาทปัญญากันในด้านการเดินป่าปีนเขาก็เรียกได้ว่าสอบผ่านปัญญาดุสดิบัณฑิตกันทุกคนนั่นแหละทั้งสองเดินคุยกันไปในลักษณะธรรมดาเชิ่อดว ร, รู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเมื่ออยู่ใกล้ชิดชายคนนี้ภายในเส้นทางป่าเปลี่ยวที่เดินไปด้วยกันพร้อมลักษณะการพูดจาที่เป็นกันเองเมื่ออยู่ตามลํพาพังสองต่อสองแค่สองวันสองคืนนับตั้งแต่หมู่บ้านหนองน้ำแห้งเป็นจุดเริ่มต้นเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าสเสนิทสนมคุ้นเคยกับปพินไพรวันมานานนับสิบปี ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีโอกาสได้พูดจาใกล้ชิดสนิทสนมกันนักการทดสอบของเราได้ผลดีเยี่ยมเดี๋ยวนี้เรารู้แน่แล้วว่าไอายุเครื่องนั้นสามารถติดต่อ ก, กับแหล่งวงการและสามารถส่งกําลังบํารุงมาให้ได้ทุกขณะเห็นไหมเจอรรี่กับที่ต้องการปืนก็สามารถจะติดต่อขอให้ส่งมาให้ได้ทางอากาศทันทีประเดี๋ยวเราจะรู้ว่าพวกเขาจะส่งมาให้อย่างไรและติดตามเป้าหมายจากรายงานของภาค พ, พื้นดินได้ตรงตามเวลาแม่นยําเพียงไหน ลงอีกแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้นอีกมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาควบคุมอยู่เหนือเราตลอดเวลาและทุกระยะเส้นทางเดินทเที่ยวเชิดวุฒแถวเบาลงและเริ่มพูดหารือกันเป็นงานเป็นการภาพรบพายยิ้มนิดหนึ่งตอบเรียบเรีบว่าชื่อผมหรือครับคุณเชิดวุฒนี่มันเป็นการเดินทางเริ่มต้นเท่านั้นพวกเขายังสามารถติดต่อกับแหล่งวงการได้อยู่แต่ไม่ช้าก็เร็วพ น, นันกับผมก็ได้ว่าไอวิทยุเครื่องนั้นพัง ใช้งานไม่ได้หรอกในเมื่อพวกเราทั้งหมดร่วงเข้าสู่แดนอันเป็นสิ่งรีรับมหัศจรรย์ซึ่งจะเริ่มตอนไหนเมื่อไหร่นั้นผมก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันเพียงแต่ยืนยันได้แน่อนอนว่าในที่สุดหากใกล้ระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นเข้าไปเมื่อไหร่เราทั้งหมดที่มาด้วยกันนี้จะมีสภาพเหมือนสูญหายเข้าไปใน Lost World well, หรือโลกหลงสำรวจทีเดียวขาดการติดต่อกับโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงต่อให้เครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายเขาจะก้าวหน้าล้ำยุคสเพียงไหนก็ตามพลตำรวจตรีหนุ่มจ้องหน้าเขาเขม็งมีความรู้สึกที่บอกไม่ถูกคุณเชื่อแน่อย่างนั้นจริงๆหรือเอาหัวของผมเป็นประกันได้เลยครับนี่ผมเพียงแต่กระซิบบอกคุณเชิดพูดเป็นการส่วนตัวเท่านั้นขออย่าได้แทล้งขายให้พวกเขารู้เลยเป็นอันขาดรู้ไว้กับตัวคุณเองและเตรียมรับสถานาการณ์ก็แล้วกันถ้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของพวกเขาทำงานได้ผล เขาคงไม่ลงทุนมาจ้างให้ผมนำทางออกเตินค้นหาแหล่งอับปางสูญหายไปของ b 5 2าลำนี้หรอกการค้นหาทางอากาศโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็มาช่วยของเขาคงจะได้ผลไปนานแล้วระยะนี้เขาให้เขาโชว์สมรรถภาพของวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของเขาไปก่อนอีกหน่อยพวกนี้จะต้องกินข้าวลิงร่วมกันเก่าเลช่วงเลชั่นอะไรน่ะอย่าห่วงเลยแม้แต่จะส่ง sos ให้พักพวก เดียวกันที่มีเพดานบินสูงสุดลิปเหเนือพิพิพนั้นก็อย่าหวังเลยอย่างเก่งก็ได้แต่สวดมนต์อ้อนวอนขอพรจากพระเจ้าเท่านั้นเองอีกฝ่าหนึ่งเริมจะมีอาการขนลุกเรียวขึ้นมาอย่างประลาดสลับหนาวสลับร้อนขึ้นมาทันทีผมก็ชายชาติทหารคนหนึ่งเหมือนกันน่าละพินและการทํางานในครั้งนี้ก็มาในนามของประเทศชาติผมสละชีวิตแล้วแต่ถามจริงเถอะคุณคิดว่าพวกเราจะมีโอกาสรอดกลับไปได้หรือไม่นี่นะ่สะสักกี่เปอร์เซ็นต์ ตอนพร้พมเอื้อมมือไปตบแขนนายทหารหนุ่มรุ่นน้องเบาๆยิ้มปลอบใจให้ผมก็ยังบอกไปถูกมืมอนกันครับาหากการเดินทางค้นหานิวเคลียร์ของเราในครั้งนี้มันผิดเส้นทางออกไปโดยไม่มีวี่แววว่าจะค้นหาได้พบเลยจนกระทั่งฝ่ายของเขาบังเกิดความสิ้นหวังท้อแท้และเป็นฝ่ายสั่งให้เลิกเดินทางกลับเองเปอร์เซ็นต์รอดของเราก็พอจะมีอยู่สูงแต่ถ้าเส้นทางมันใกล้ตำแหน่งนิวเคลียร์ลูกนั้นตกพูดง่ายๆว่าเดินเข้าไปพบ ไม่ว่ามันจะตกอยู่ที่ใดก็ตาม 99.99% 99ทุกคนจะวิบัติถึงแก่ชีวิตหมดเชิญวอรนิ่งไปนานคุณหมายถึงอันตรายจากกำมันสภาพรลังสีอย่างนั้นหรือกำมันสภาพรลังสียจะเป็นเรื่องรองลงไปครับคราญใหญ่ตอบเบาลงแต่ความลี้ลับมหัศจรรย์นในแดนสุธียมันจะฆ่าพวกเราได้มากกว่ากำมันสภาพรลังสีหลายเท่านักหรือถ้ามันไม่ฆ่าเราเองโดยตรงมันก็จะทําให้พวกเราทั้งหมดนี้พากันหายสาบสูญไปจากโลกภายนอก เหมือนเหมือนกับระเบิดลูกนั้นนั่นแหละเปอร์เซนต์กลับแทบจะไม่มีเลยขอให้คุณเข้าใจไว้ด้วยว่าเรากำลังเดินทางเข้าสู่แดนสมุทรยาหรือส่วนหนึ่งของพิภพโลกอันไม่มีมนุษย์คนใดสามารถค้นพบและพิสูจน์ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วความคิดของคุณในขณะนี้เป็นอย่างไรโปรดคิดเดี๋ยวว่าผมเป็นน้องชายเป็นเลือดไทยด้วยกันแล้วเราพูดกันเองโดยเฉพาะเท่านั้น ถามให้ชัดๆสิครับต้องการให้ผมตอบในปัญหาข้อไหนคุณจะแกล้งพาเดินให้ผิดเส้นทางออกไปเพื่อให้เขารู้สึกว่าการเดินทางค้นหาครั้งนี้ได้ผลและมีคำสั่งให้กลับหรือว่าคุณจะนำเดินเข้าไปยังตำแหน่งที่บีห้าสิสองำนั้นตกพูดกันอย่างลูกผู้ชายตรงไปตรงมาเลยนะเชิดวุธมองเห็นรอยยิ้มและลาฟันขาวจากสีหน้าที่เรียบเย็นตายด้านตลอดการนั้น ผมเป็นคนซื่อสัตย์สุสจริตและหญิงในเกียรติยดของการเป็นผู้นำทางมาตลอดชีวิตครับคุณเชิดพุดผมจะไม่มีการหลอกลวงหรือเล่นลูกไม้เพืแ่แแงใดๆกับพวกเขาทั้งสิน้นจะพยายามจนสึงความสามารถที่จะนำเข้าไปยังตำแหน่งตกของ B ห้าสองลำนั้นให้ได้ตราบใดก็ตามที่ผมยังมีลมหายใจยอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นไปเพราะผมก็สละชีวิตแล้วเหมือนกันเมื่อตกลงใจนำทางครั้งนี้เงาดำมีเขาเกะกะของอะไรชนิดหนึ่ง กระจนผ่านเส้นทางด่านด้านหน้าห่างประมาณส0สิบเมตรจากป่าฝั่งขวาวูบหายไปทางป่าฝั่งซ้ายทั้งสองมองเห็นพร้อมกันและพินปาดแขนกระทบ อ, อกเชิดวดให้หยุดชะ ง, งักกับที่ทันทีแล้วชั่วไม่ถึงกุดใจหนึ่งก็มีเงาพื้นเหลืองจุดดำพลอยสังเกตรูปร่างเตี้ยกว่าเงาแรกมากพุ่งปาดติดตามออกมาในทิศทางเดียวกัน เชิดวปดปดปืนออกจากไร่โดยสัญจยายเร็วๆตลัพินยังเฉยสายตาจ้องสำรวจไปด้านหน้าด้วยอาการปกติผู้หนึ่งต่อมาเขาเรียกหน้าให้เดินต่อไปตามเส้นทางนั้นพวกที่เดินตามมาเบื้องหลังคงจะไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะทิ้งระยะห่างออกไปมากอะไรเสียงของนายทหารหนุ่มสองความตื่นเต้นอย่าไปสนใจกับมันเลยครับนี่คือภาพปกติของป่าเสดดาวกวดไล่กวางใหญ่ ไม่ทันจะขาดเสียงบอกของรพินเสียงชนิดหนึ่งก็ปรากฏมาจากป่าด้านซ้ายมือเสียงร้องโอ้ของกวางเสียงคำรามของเสือและเสียงการต่อสู้ดิ้นรนได้ยินอย่างถนัดทัดเจนในความเงียบสงบแต่ชั่วครู่ก็สงบเงียบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเสียงนี้พวกที่เดินกันอยู่ข้างหลังเริ่มจะได้ยินและไหวตัวแต่รพินคงดันหลังให้เชิดวุตผู้ถือปืนเตรียมพร้อมเดินไปข้างหน้าเกียงคู่กับเขาต่อไปตามเส้นทางหลานนั้นไอ้กวางตัวนั้นเสร็จไปแล้วสิ เป็นเสียงเปรย์ๆของนายทหารหนุ่มในป่าก็เหมือนกับในมือ น, นั่นแหละครับผู้มีกําลังกว่าก็าเบียดเบีย น, ยนผู้อ่อนแอกว่ามันเป็นธรรมชาติของโลกกวางตัวนั้นถ้าอยู่ในป่าโปร่งหรือทุ่งโลง่มันจะหนีเสือดาวได้ทันแต่นี่มันเป็นป่าทึบเต็มด้วยเถาวันกวางมีเขาเกะกะมากติดกิ่งไม้เถาวันก็เลยหนีไม่พ้นปล่อยมันจะครับมันคงจะลม้มลงอยู่ไม่ห่างริมทางที่เราผ่านมาักเท่าไหรนักหรอก ว่าแต่ไอ้เปรืดาวนั่นหนาจะโผล่พรวดออกมาทําความเดือดร้อนให้พวกเราอีกหรือเปล่าขณะที่เดินผ่านไปไม่หรอกครับมันได้เหยื่อของมันแล้วอย่างดีพอได้กลิ่นหรือเห็นพวกเราเดินผ่านไปมันก็จะหลบจากเหยื่อที่กัดล้มไว้เสียก่อนชั่วคราวและเราเดินผ่านไปนาน น, านแล้วจนมันแน่ใจก็จะหวนกลับมากินเหยื่อภายหลัง มันมีหน้าที่ในการดำรงชีวิตของมันเราก็มีหน้าที่ในการดำรงชีวิตของเราอยากก่าก้าวไายหน้าที่ของกันและกันเท่านั้นเป็นใช้ได้คุณเคยเดินป่าบ้างแล้วก็น่าจะรู้ดีอยู่บ้างว่าเสือนั้นถ้าไม่เจ็บจากคนมาก่อนไม่พิการทุกคนละภาพแก่ชรามันก็ไม่อยากจะยุ่งกับมนุษย์วางใจได้มากกว่ามนุษย์ในเมืองหน้าใสใ ส, สอีก มีสัตว์ที่เราจะต้องระมัดระวังตัวอยู่เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นในการเดินป่าคืองูพิษขนาดเล็กๆที่เราจะเดินไปเหยียบมันเข้ากับงูพิษขนาดใหญ่ขณะที่พบกันจนตัวในระยะใกล้ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกแมลงมีพิษรุนแรงต่างๆที่เราจะเข้าไปใกล้มันโดยที่ไม่ทันรู้สึกตัวนอกจากนั้นพอจะหีกเลี่ยงกันได้ ที่พูดกันถึงส่าปลาธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นปลาลงสำรวจมันก็มีอะไรต่อมีอะไรที่คาดฝันไม่ได้ล่วงหน้าบุกเข้ามาเล่นงานเราได้เสมอเสมอสำหรับระยะสองสาวันนี้ยังไม่มีอะไรเป็นปัญหาหน้าวิตกหรอกครับนอกจากไอ้เสือกินคนที่ซับบอล ต, ตัวนั้นทุนนั้นเสียงอเมริกันที่เดินอยู่ด้านหลังดูเหมือนจะเป็นคิดตะกนโวกเวกเหมือนจะข้องใจถามอะไรมาเกี่ยวกับเสียงเสือ ตักับกวางเมื่อสักครู่นี้แต่ละพินหันไปโบกมือเป็นสัญญาณให้เดินต่อไปตามปกติในเส้นทางนั้นเขากับเชิดวุฒก็เดินล่วงหน้าไปก่อนเป็นตัวอย่างพวกนั้นจึงเดินตามมาในอาการเดิมผ่านบริเวณที่สัตว์ทั้งสองกวดไล่ตักเส้นทางด่านไปแล้วทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรกระตุกกระตากและชั่วไม่นานทั้งขงบวนก็ผ่านพ้นบริเวณนั้นเข้าสู่ป่าโปรง่งขึ้นไปอีกด้วยการไต่เส้นทางราชัน สองฝั่งฟากเต็มไปด้วยกอไผ่ขึ้นเต็มชั่วโมงที่สามของการคืบหน้าซึ่งไม่มีการหยุดพักกันเลยเชิดบุดผ่าจากกลุ่มอเมริกันมาเดินเคียงคู่อยู่กับระพินยอยู่เช่นนั้นโดยไม่ได้ย้อนกลับลงไปรวมกลุ่มด้วยลักษณะป่าเริ่มจะแห้งแรงและปร่งขึ้นทุกขณะแล้วก็เริ่มจะตัดไปสู่ทุ่งแฝกสลับไปกับป่าขามป้อมที่ยืนต้นอยู่ห่างๆกันและเห็นทิวเขาใหญ่เขียวคขึ้นเป็นกระแพงขวางอยู่ข้างหน้า แดดแผดจ้าจนแสดผิวหนังขณะนั้นเที่ยงเศษเกือบจะบ่ายโมงกระพินวุ้ยปาไปที่เชิงเขาลูกที่เตี๊ยที่สุดอันอยู่ไม่ห่างนักเป้าหมายของเราในการหยุดพักเที่ยงอยู่ที่เชิงเขานั่นครับเราจะกินอาหารเที่ยงกันที่นั่นแล้วก็ก่อควันไฟเป็นสัญญาณขึ้นเพื่อให้นักบินเห็นถ้าหากว่าดรสเตอร์ลี่สามารถจะกําหนดที่หมายตามพิกัดในแผนที่ให้แหล่งวงการทราบได้อย่างถูกต้อง ผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่านักบินจะค้นหาตำแหน่งได้ถูกต้องไหมเชิดวุ้นเป่าลมออกจากปากเต็ไมไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่อนร้ามองดูละพิยนก็ไม่เห็นว่าจอมกุ้งเทศจะมีอาการใดๆทั้งสิ้นแม้จะเดินและไต่ทางขึ้นมาโดยที่ไม่หยุดพักเลยอย่างมากที่สุดก็เห็นแค่เหงื่อซึมๆอยู่ตามก้านคอและหน้าผาของเขาเท่านั้นเราดีใจที่เลือกได้พันนาทางชั้นเยี่ยมที่สุดของโลกแต่เราก็กลัวใจเหลือเกินในข้อที่ว่าพวกเราจะทรมดอย่างคุณไม่ไหวไหว้สิครับ วันนี้ไม่ไหวพุ่งนี้ก็ไหวหรือพุ่งนี้ไม่ไหวมะรืนนี้ก็ไหวไปเองแหละบอกแล้วว่าขอให้ชินเสียก่อนเท่านั้นและการเดินป่านี่กําลังมันจะอยู่ตัวมันคงเพิ่มขึ้นไปทุกวันโดยอัตโนมัติเมื่อร่างกายปรับตัวได้ใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละลิ้นห้อยหน่อยพอบอกคนหัวเราะขันๆหันกลับมาดูเบื้องหลังก็เห็นกลุ่มลูกหาเข้าขบวนกันเป็นคิวแถวห้าคู่แต่นายจ้าอีกสี่คนทั้งชายและหญิงพ่อแฝดอยู่ท้ายขบวน มีพันพื้นเมืองอันเป็นพี่เลียงคอยคุมเดินอยู่ใกล้ๆพวกนั้นคงจะสมบทสาบแช่งเขาพิรุกแต่ละคนหน้าแดงกล่ำเป็นลูกตำลึงสุกและเหงื่อท่วมกายราวกับราดน้ำเขาหยุดพักยืนลอกับเชิดวุฒใต้ต้นมะขามป้อมซึ่งตกอยู่เกลื่อนกราดมีรอยเก้งกวางมาแทะเล็มกินไว้จนกระทั่งขบวนลูกหาพานมาถึงก่อนก็ชี้มือเป็นสัญญาณให้เข้าหาที่พักชั่วคราวตรงเชิงเขาโดยสั่งให้หลบบังเงาเข้าหาที่ร่ม แล้วเซรี่กับพีทก็เดินผ่านมาทั้งสองไม่พูดอะไรนอกจากเซลี่ฝืนยิ้มให้ยกหัวแม่มือเป็นเครื่องหมายเหมือนจะชมเชยเขาผู้หลังคืออิสเบล์มูและคริสติน่ากรูบินซึ่งเดินสายเหมือนปูมีอาการล้มมิล้มแหลกเชิดฟุดปลายเข้าไปหิ้ปีประคองเบลไว้แล้วพาเดินตามหลังพวกลูกหาไปขณะที่ผ่านหัวหน้าและพิน เบลไม่พูดอะไรแต่ชูนิ้วขึ้นชี้เป็นสัญญาณใบ้มาที่หน้าเขาเชิงต่อว่าทำนองคล้ายๆว่าจะไว้นะนายแกล้งพวกฉันและเดินผ่านไปคนสุดท้ายที่ผ่านระหว่างละพินกำลังยืนสุบุรีอยู่คือคริสลอนเชิดตัวตรงทั้งๆ ท, ท, ที่หอบจนอกกระเพื่อมมีบุญคำเดินยิ้มกล่นตามหลังมาห่างๆร้อนหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเรากาลังจะถึงที่พักแล้วเขาบอกหน้าตาเฉย ขอบใจคุณเป็นคนที่มีความกรุณามากครอสุภาพบรุษใจหินและพินส่งมือไปให้ต่หล่อนปัดมือเขาเฉะไปโดยแรงเดินตัวตรงแนวตามหลังเบวไปแต่เท่าบุญคําปิดปากคอระ์ะเฉียดเข้ามาใกล้กระซิบว่าแม่ผมทองจับโขกเง่านายมาตลอดทางเลยครับจะให้บุญคําบอกไหมว่าแหม่มดา่าไว้ยังไงมั่งไม่ต้องหรอกไปรีบตามหลังไปเร็วๆปรเดี๋ยวจะล้มเสียเท่านั้นเองทําไมนายไม่ไปช่วยให้กําลังใจกันหน่อยล่ะครับ หน้าที่ของฉันก็คือหน้าที่การนำทางไม่ใช่มาให้กำลังใจกับใครทั้งนั้นเส่ยงเขาขวนบุญคำถอนใจเฮือกสั่นหัวนายเราใจหินจริงๆแล้วโว่มาไอคำเป็นคนให้กำลังใจแหม่มเองสองสารแกจริงแกพูดสำเนียงเหนอแบบสุพรรณแระพินแยกเคี้ยวนิดหนึ่งเอามือตบเบาๆบาไปที่ก้านคอของสมนุนเท้ามือขวาตัวุนไปข้างหน้าไปเรามีหน้าที่ดูแลเขาอยู่แล้วอย่ามาพูดมากอ้าว นั่นลงหน้าพระเพียบแปะลงไปจริงๆนั่นแหละว่าพึงํำเดินเลี่ยงร่างของคริสไปเสียโดยไม่ช่วยอะไรทั้งสิน้นป่อยทิ้งละพินไว้เบื้องหลังสุดซึ่งห่างออกไปเพียงแค่สี9ห้าเก้าคริสติน่ากำลังเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งอย่างหมดเปลืยกหมดแรงกลางทุ่งอันร้อนระอุ